อเข้ามาแล้วสมาชิกคแรกคุณเวลาสินีอาจาสบายดีหลือท่านพระอาจารย์ไม่สบายเลยค่ะโดนโควิดนะค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสอะคะ่ะท่านพระอาจารย์ยมไม่ได้ปฏิบัติภาคบ่ายเท่าไหรค่ค่ะ ก็ไม่เป็นไรอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปอยากปฏิบัติถ้ามันไม่ได้ปฏิบัติ๋ยวาไปเครียดว่ามันอยากกับปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็มีสติทำอะไรไปก็แล้วกันทำอะไรได้ฝึกสติไป อ, อยู่กับสภาพปัจจุบันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้ น, นอย่างนี้อันนี้ต้องฉลองกับเพื่อนฝูงมาฉลองไปทำอะไรก็ทำไปใจเราก็อย่าไปอยากไปนั่งสมาธินะ มันม น, นั่งไม่ได้แล้วอยากนั่งมันก็จะเครียดค่ะก็ก็ใช้วิธีอย่างที่ท่านพระอาจารย์ว่าเลยนะคะตอนบ่ายไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีก็มีคนมากินกาแฟเล่นเกมกับลูกมกะะั่งอะไรอย่างนี้ค่ ะ, ะ, ะก็ใช้วิธี<ป><ป>ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังเป็นมนุษย์สังคมอยู่ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีปฏิอสัมพันธ์กันก็นทําไปด้วยควา ม, มเมตตาคิดว่าเราแผ่มเมตตาไปฝึกการแผ่เมตตาไป แล้วพอเรามีเวลาว่างของเราเราคอยคอยเราก็ค่อยไปปฏิบัติทําย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่ขี้เกียจยมใช้วิธีเจริญสติอะคะ่ะมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา เ, เราไปนั่งมันปรากฏว่ามันมันก็ดีนะคะท่านอาจารย์ลองแบบนี้คือไปนั่งแล้วมันก็เป็นสมาธิวไวอ่ะคะ่ะเรานั่งได้นานด้วยะคะ่ะยมไม่ไคิดว่ายมไม่เคยถึงสองชั่วโมงนะคะท่านยมจะปวดแข่งปวดขารู้สึกตัวก่อนแต่คราวนี้ถึงคะ่ะใช่ ฝึกสติไปถ้ายัมนั่งไม่ได้ก็ฝึกสติไปแล้วทาอะไรก็อย่าให้ใจลอยให้ใจอยู่ในปัจจุบันบอยู่แบบในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้ววันที่ยมนั่งได้สองชั่วโมงนะคะเข้าไปนอนมันก็เหมือนมีอาการตื่นนะคะนอนไม่หลับก็นอนภาวนาไปสองชั่วโมงยมเห็นมันไม่ยอมนอนสักทีมันก็เลยลุกมานั่งะคะ่ะท่านอย่าประหยัดอย่าปรยาดนอนรปรายาดนอนแล้วมันจะยิ่งนอนไม่หลับ เดี๋ยวก็มานั่งสักพเดี๋ยวมันก็อยากจะนอนเอง ค, ค่ะค่ะนั่งไม่ชั่วโมงเดียวคะ่ะแล้วก็ไม่ไหวแล้วเริ่มปวดน้ำปวดตัวแต่ว่ารู้สึกว่าจิตละเอียดมากเลยคะ่ะละเอียดยิ่งกว่าวัสดุใดๆที่ยมเคยเห็นมาเลยคะ่ะละเอียดแล้วก็ยิ่งสงบยิ่งละเอียดยิ่งสงบยิ่งละเอียดค่ะรู้สึกว่ายมเข้าได้ลึกแล้วก็ละเอียดแล้ว ย, ยมเพิ่งรู้นะคะท่านอาจารย์ว่าจิตละเอียดมันมีแรงมากกําลังเยอะยมนึกว่ามันต้องแข็งแรงถึงตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่จริงๆไม่ใช่ความมุเอุเบกขามันอุเบกขามันมากขึ้นมากขึ้นก <ยม S 2> ำลังของจิตคือุเบกขานี่แหะใช่ค่ะเพิ่งเนี่ยค่ะเพิ่งรู้กระตัวนี่แหละค่ะจิตมันอ่อนมากเลยอ่อนจริงๆค่ะท่านมันไม่ไ ด, มไมได้มันไม่ได้พุ่งแล้วสวัดเฉวียนนะคะมันอ่อนแล้วก็แรงก็เยอะแต่ว่ายมก็เลยใช้พิธีแบบมีสติอะค่ะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจนลืมไปไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่รู้สึกว่ามันหดเข้ามาหดเข้ามาจนแสงหายไป แต่ว่ามาอยู่ข้างบนหัวเหมือนอะไรครอบหัวเราอยู่อะค่ ะ, อะเออดีแลาทำไปเถินฝึกไปเรื่อยๆนะอย่าอย่าหยุดนะตามใดยังมีลมหายใจอยู่ตามนั้นยังจเจริญสติไดนะ้มีป้ายเขาเขียนไว้ที่วัดวันหนึ่งว่า if you can breathe you can you can meditate, you can meditate ค่ ะ, ะยมยมยังเมื่อเช้านี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามัน วันนี้วันพุธแล้วใช่ไหมคะท่านมาจานโยมก็เศร้านิดนิ ด, นดเพราะว่าเดี๋ยววันหยุดคริสต์มาสมันก็จะผ่านไปแล้วต้องไปทํางานหําคำา ำ, ำสว้วมยังไม่ค่อยอยากกลับไปทํางานเลยครับตอนนี้<ม>ยังไม่ภาวนาเต็มทีค่ความอยากก็ทําให้เราทุกนะข์กันค่ะอยากแล้วไม่ได้เป็นอย่างใจอยากเนี่<า>ยใจภาวนาคตและ้ะให้อยู่ในปัจจุบั น, น, นกำลังภาวนาคตนละยังไม่ถึงเลยยังยัง อ, อนาคตยังไม่ทันมาก็ไปทุกข์กันก่อนขาดทุนค่ะขาดทุน<อ>เวลา พอถึงเวลามาจริงๆมันก็ไม่ถูกเพราะเราต้องอยู่กับมันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันมันก็เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆยมต้องหาวิธีอที่จ ะ, จะเจริญสติให้ดีตอนอยู่ที่ทํา ง, งานนะค ะ, ะต้องคิดอย่างนั้นมากกว่าที่จะรับมื อ, อ <laughs> กับวิธีกามทำานของเราไปอยไปสูงสิงห์หใครนอกจากจําเป็นต้องคุยกัน<า>ยมทํางานที่ต้องเจอผู้คนนะคะแล้วก็เป็นผู้คนระดับที่สูงกว่าเราเราต้องเราต้องเน็ตเราต้อง เฟนีกับเขาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องก็ดีก็แผ่เมตดมาไปแผ่เมตดมาแจะป้านะคะลูสิอ่ะหลุมตามมาแล้วลูกลูกจะมากราบหมเร็วมีลูกกี่คนลูกลูกสาวค่ะแต่ลูกสาวเขากลัวที่จเาพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งค่ะแล้วมาชวนก็ได้สกิสเซอร์แนดเซอร์แนด์ ด้ยฉะนั้นหลวงตาพูดด้วยดีไหมคะลูกทำก็เชิญอัฟีด่าเซนแสดงว่าหลวงตาพูดได้สามคำใช่ไหมคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้ How are you How are you I'm fine Okay How are you I'm not o r ภาษาไทยก็ได้ลูกอบเป็นภาษาไทยสิลูกหนึ่งส สิบสามขวบค่ะสิบสามขวบแล้วค่ะชื่ออะไรนะาลูเซียค่ะลูซิเอ้โอเคค่ะนุมยพี่มีน้องไหมมีพี่ค่ะมีพี่ชายค่ะพี่ชายเหรอคนเดียวเหรอคนเดียวค่ะบอกพี่ชื่ออะไรดุกบอกหลงตาพี่ชื่อเรโอค่ะพี่ชื่อเลโอเลโอโอเคค่ะไม่เกิดยังไง วันนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าไม่ไปค่ะโรงเรียนปิดค่ะบอกปิดปิดเพื่อปีใหม่ฮะเป็น่ยนเรนียนะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่หลวงตาดุลย์สวัสดีปีใหม่ค่ะเดียวกันก็มีความสุขมากมากนะขอบคุณค่ะหลวงาขอบคุณค่ะเอยากคุยแต่ว่าเขากลัวเพราะว่า เป็นคนที่อยากทําอะไรแล้วพูดอะไรแล้วพูดไม่พูดพูดไม่ผิดเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเลยไม่ค่อยกล้า<แ>เท่าไหร่คะ่ะไว้ท้อทำเป็นแบบพูดแบบแบบน a t u r a l แบบคุยกับพ่อกับแม่คุยกับเพื่อนอเงี้ยไม่ําเป็นเก่งค่ะคนนี้แหะคะ่ะท่านอาจารย์เคยมานั่งสมาธิกับโยมแต่ตอนเขาเป็นเป็นเด็กนะคะตอนนั้นโยมยังเหมือนกับ ตัวเองยังยังไม่ค่อยได้อะคะลองผิดลองถูกอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยอยากให้เขาเข้ามากวนแต่เขามานั่งด้วยกับยมนะคะนั่งด้วยได้นานแต่ตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นไปแล้วอะคะเริ่ม<อ>ไม่สนใจทิ้งไปแล้วย ม, มเสียดายอยู่เลยคะ่ะไม่น่าปล่อยโอกาสให้ลูกแบบน่าชวยก็ใหม่ลองช่วยเมื่อไหร่หรอวันนี้อะคะ่ะ<ม>เขาก็พูดขึ้นมาเองว่าแ ม, แม่แม่คุยกับใครนะ่ะเขาที่แล้วหนูเข้ามาสวัสดีแต่ไม่มีใครได้ยินหนูอะไรคะ โยมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาอีกทีสิลูกมาสวัสดีหลวงตาวันนี้ได้คุยด้วยพยายามจะชักจูงมานะคะเออนิ่มหน่อ ย, อยทๆทีล ะ, ๆนนทละนิดๆน้อยๆแต่ทีลนิดทีลนิดค่อยเพิ่มความคุ้นเคยแล้วก็้ามเ่าง้ครับเขาเหมือนชยนเข้ไปเที่ยงเงี้ยคนนี้แะละอ่าท่านอาจารย์เคยนั่งกับโยมนั่งด้วยกันแล้วก็นั่งจนจนหลับนั่งไปสามสิบนาทีโยมเอ๊ะ เสียงอะไรปรากฏว่าลูกลงไปนอนบนพื้นแล้วค่ะแล้วก็กลัวแต่ก็ค่ะเป็นเด็กค่ะก็ยังดีนะดีตอนนี้ยังมีโอกาสสอนได้ก็สอนไปยังไม่โตเต็มที่ให้เขามีอะไรติดตัวไปออไปเวลาเขาอยากย้ายเขาอยู่คนเดียวไม่รู้จะทําอะไรเขาอาจจะนั่งสมาธิก็ได้ออยากชักจุงค่ะแต่ก็ต้องต้องต้องตามความสมัครใจของเขาด้วยค่ะออ แล้วพ่อเขาเป็นยังไงบ้างคะพ่อเขาโอเคไหมพ่อเขาเครียดเยอะมากเลยค่ะท่านอาจารย์บางทีแบบตื่นตอนกลางคืนตีสองตีสามอย่างนี้นะคะแล้วก็นอนไม่หลับลงมาใช่ไหมยมเอาหายไปไหนเหมือนเป็นหน้าทีค่ะยมก็ต้องลุกมาตามมาดูว่าเขาอยู่ไหนทําอะไรนะคะนอนไม่หลับบอกว่านี่บอกเทคนิคให้เอาไหมให้ดูลมหายใจเหมือนพยายามจะให้เขาะคะ่ะ <Hey. S 2> เหมือนเรายัดเยียด <Hey. S 2> รือเปล่าไม่รู้นะคะทำสิทําสิ ก็หลังก็เขาบอกให้ให้นับตัวแกะนับตัวแกะหนึ่งสองสามไปให้อยู่คิดอย่าที่มันนอนไม่หลับเพราะมันคิดมากคิดไม่ได้ใช่ค่ะเพื่อนโรงงานเลยคะผมก็บอกทำจีทำพร้อมกันเนี่ยเนี่ยเอาเลยพร้อมกันก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะค่ะผมก็นราต้องไม่เคยไม่ชอบอยู่เฉยมันชอบคิดมากกว่าโอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะเปิดประกาศให้คนอื่นนะคะโอเค ทกท่คุณมุนิตาอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมกราบนำมรชะการอาจารย์ค่ะอยู่กรุงเทพน่ะค่ะมีอะไรมั้ยวันนี้มีเจ้าค่ะนุ้ยอยากถามเกี่ยวกับเวลาเวลาถือสินแปดหลังเที่ยงไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทานโกโก้ที่ชงกับน้ำร้อนแต่ไม่ใส่นมอย่างนี้จะจะผิดจีิงไหมเจ้าค่ะไม่ผิดอรอกได้โกโ ก, โก้กาแฟชาได้หมด โอโอวันตินอะไรอย่างเี้ได้ใช่ไหมัไม่ได้โอวัตินไม่ได้เพราะว่ามีมีข้าวผสมอยู่เจ้าค่ะแต่โกโก้รุ่นร่นนี้ไม่ได้เป็นหนเป็นหมยาก็เรกยากาแฟใบชานี่ก็เรียกว่ายาเจ้าค่ะสมุนไพรก็เรียกสมุนไพรสมุนไพรอ๋อได้เจ้าค่ะน้ำตาลได้แต่นมไม่ได้คาฟเมลไม่ได้ เมื่อวันก่อนหนูถือสีแปดแล้วตอนเย็นหนูหิวหนูเอาน้ำแดงมาชงกับน้ำดื่มมาค่ะได้ค่ะน้ำแดงก็เป็นน้ำตาลน้ำพึ่งก็ได้น้ำพึ่็ได้น้ำพื่งแบบมะนาวก็ได้มีรสเปรี้ยงอ๋อมะนาวก็ได้ใช่หมจ้ยได้ได้น้ำส้มก็ได้ค่ะแต่ต้องไม่ให้คือหนูต้องกรองก่อนไม่เพื่อไม่ให้มีกาใช่ไหมจ้ะอย่าให้มีกามีเนื้อติดเข้าไปให้น้ำอย่างนี้ เจ้าค่ะเนยเนยใสเนยข้นก็คือเนยเนยที่เรากินทำมาได้เนยทาเนยที่ทาหนุ่มปังก็เลยเนยใสเนยใสเนยข้นก็เนยแข็งก็คือเนยก็คือชี้สิ่งนี้แหละค่ะเจ้าว่าหนูอ่านหนูงงว่าเนยใสเนยข้นคืออะไรเจ้นรู้ว่านยเป็นคนละอย่างกันแต่สมัยนี้เขาแปลเป็นอย่างนี้ก็อ๋อแจ้ค่ะ เดีย๋ยนี้เขาก็เลยมีนิยมเอานเนยอาชีสนี่มากวนกับน้ำตาลเออหนูหนยังไม่เคยทานนะค๊ะแล้วก็ถวายมาเค็มเค็มมันมันหวานๆวาอ๋อเป็นเป็ น, ปนค่านิยมใหม่ละเจ้าค่ ะ, ะ <c oughs> ชีสกวนน้ำตาลเหมือนกันเหมือนกับทำเบรูนี่อะไอย่างเงี้ยนะแต่มันมีแป้ง อ๋อเจ้าค่ะแต่หนูจะลองลองกวนดูสิลองกวนหนูจะชี้ใส่เข้ไปเอาน้ําตาใส่เขไปเอาน้ําใส่หน่อยแล้วก็คนจนให้มันมันเป็นเนี้วเดียวเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งจ้าค่ะแห้งแล้วก็แข็งหั่นเป็นชิ้นๆเอากินดูได้เจ้าค่ะเดียวหนูจะแต่หนูเราไม่ได้กินนะเราไม่ได้กินอ๋อเจ้าค่ะ ว่าพอพ่อหนูบอกถ้าตั้งใจถือศีลแปดทั้งทีก็อย่าไปคิดถึงเรื่องเรื่องกินให้มากเราท่านน้ํำทานน้ํานนหวาน อ, อย่างเงี้ยไปก่อนเจ้าค่ะเวลาคิดถึงเรื่องอาหารก็ให้คิดถึงเวลามันอยู่ในปากอยู่ในท้องอย่าไปคิดตอนที่มันอยู่ในจานเจ้าค่ะคิดถึงในตอนที่มันอยู่ในจานแล้วมันจะหิวเจ้าค่ะแต่วพอคิดถึงเป็นอาเจียนเป็นอะไรแล้วมันจะกิดไม่ลงใช่ค่ะต้าค่ะถึงมันต้องแก้ปัญหา ได้ค่ะค่ะให้พิจารณาอสุภะใช่ไหมเจ้าค่ะปฏิกูลเขาเรียกว่าปฏิกูลอ๋อถ้าอสุภะคืออาการที่ไม่สวยงามของร่างกายอ๋อจ้าคะปฏิกูลคือความสกปรกของอาหารอ๋อจ้าค่ะปฏิกูลแสัญญาเยค่ะได้จ้าค่ะจะนําไปปฏิบัติเวลาเรามาจากจากท้องเรามันสกปรกไหมล่ะ สชก้าโกจ้าหนูหนก็เคยนึกนึกค่ะเวลาหนูอยากกินอะไรอร่อยๆหนูก็เลยนึกถึงภาพที่ออกมาจากท้องเราแล้วแล้วก็อาจารย์บอกว่าทานอะไรไม่ว่าจะอร่อยแพงแค่ไหนออกมาเหมือนกันเจ้าก็เลยทําให้อยากกินน้อยลงจ้านั่นแหละวิธีแก่สําหรับคนที่ถือสิบแปดคนที่ไม่แก่อ่าเย็นหรือบางคนอดอาหารหลายวันก็เขาใช่วิธีนี้แก่ จ้ะ่มีลูกศสด็คนหนึ่งเขาบอกเขามาอยู่<ภ>วันเจ็ดวันเขาไม่กินข้าวเลยเขาอดเจ็ดวันฮวานาเก่งนะเก่งมากเลยจ้ะค่ะหนูไม่รู้ว่าวันวันหนึ่งจะทำได้อย่างทันทันหรือเปล่าไปยดาดก่อนอเข้าเย็นก่อนอเข้าเย็นก่อนได่จ้ะแล้ต่อไปถ้าสติมากขึ้นอ่สติสมาธิมากขึ้นมันจะมีกำลังที่จะอดได้ จะพยายามตอบไปเรื่อยๆจ้ค่ะยังเป็นโคปานอโบสถอยู่จ้ค่ะไม่เวลาก็ทาไปตามขอเราของเราได้จ้ค่ะขอคมากพระอาจารย์สวัสดีปีใหม่นะคะแล้วหมดโควิดแล้วจะไปกราบอีกนะคะตอนนี้ันเมืองชอันวันนี้กุ้งกรุงเทพก็ไม่แพ้กันจ้ค่ะ มาอยู่บ้านปลอดภัยไมด้อยู่บ้านจะค่ะได้จะค่ะอยู่บ้านก็ใส่หน้ากากไว้จะค่ะกับนวัสกันพระอาจารย์จ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณอาทิยาคุณอทิยาอยากสมุูรา์สากลราบุรีจากราบุรีเพชรเพชรบุรีเจ้าค่ะพระอาจารย์แม่คุณกล้องหม่คุณกล้องข่าวข่าวนวัตสกันเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้อาจารย์ยมจะเรียนถามว่า เออขนาดนั่งภาวนาค่ะเราทายวิปัสนาภาวนาไม่ได้เลยเหรอคะได้แต่ต้องทำเป็นเป็นช่วงช่วงของใครของมันยอย่าปนกันถ้าทำสมาธิก็อย่าไปวิปัสนาถ้าทำวิปัสนาก็ไม่ต้องสมาธิผัดกันสลับกันได้ชั่วงมงนี้ชั่วโงนี้ทำสมาธิช่วงงต่อไปทำวิปัสนาสลับกันเวลานั่งสมาธิไม่คิดเนี่ย ถึงทำสมาถึงทําวิปัสสนาไม่ได้เพราะถ้ามันคิดมันก็ไม่สงบมันก็ไม่เป็นสมาธิเจ้าค่ะอาทํา okay. ทําสลับกันได้นะคะเจ้าค่ะออทําสลับกันได้สมมติ น, นั่งสมาธิเสร็จออกมาเดินจงกรมก็พิจารณาปัญญาได้พิจารณาการสาริสสองได้เจ้าค่ะพิจารณาตายรักได้เจ้าค่ะถ้าอยากจะพิจารณ <Okay. S 1> าเจ้าค่ะทั้งนี้เลยฮะ <laughs> เจ้าค่พระอาจารย์ขอบพระคุณมากเจ้าค่ะพระอ า, าจารย์จสาธุคุณภาะสนาจากกรุงเทพเดืนนอนกลับมาเการพระอาจารย์ค่ะอ่าเป็นยังไงไก็สรุปเป็นทั้งเดือนค่ะพระอาจารย์ก็สรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ตื่นตีสามแล้วก็นั่งสมาธิตอนช่งช่วงชาได้สองชั่วโมง อ, อาการของจิตอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันก็คืออารมณ์มันสงบมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ ที่ยังไม่สามารถที่จะอยู่ได้ทั้งวันนะคะอาจารย์แต่ว่าในสมาธิสองชั่วโมงเนี้มันเหมือนกับตัวหายไปได้มากขึ้นนะคะพระอาจารย์ขึ้นมาถึงว่าหมายถึงว่ามันสงบได้ได้เร็วขึ้นอ่ามันเหมือนกับเหมือนกับรู้ทางอ่ะแต่มันอาจจะไม่ได้สงบได้เร็วทุกวันนะคะอาจารย์เพราะมันอยู่ที่ว่าทั้งงานที่ทําเยอะมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งก่อนจะสงบไม่เหมือนเหมือนรู้ทางพระอาจารย์แต่ว่ามันนั่งสองชั่วโมงกว่าเนี่ได้แล้วก็ตอนเมา อย่าไปหวังว่ามันต้องเหมือนกันทุกวันไม่เหมือนแต่พอเข้าใจว่าเพราะจะคาะทางานเยอะมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ตอนช่วงบ่ายฟังพระอาจารย์ถ้าวันไหนที่มันมีงานทําไม่ได้ก็จะมาย้อนฟังนะคะแล้วตอนเย็นก็นั่งสมาธิแล้วก็ถือศีลเนี่ยถ้าเกิดว่าประชุมวันไหนปรชุมจริงๆก็ถ้าเกิดว่าวันพระตรงวันพระเนี่ยถ้ามันไม่ได้จริงๆก็จะต้องถือศีลทดแทนเป็นสองวันก็รู้สึกว่าเราตั้งสัจจะแล้วก็ทำตรงนี้ได้ก็เลยคิดว่าเดือนหน้าว่าจะทําทุดงวัดอะพระอาจารย์หรือจะกินให้มันเหลือนิ่เดียวค่อยๆเริ่มมเพิองดูน แต่ว่ารู้สึกว่าก็ตอนนี้คําถามนิด น, นึงคือว่าวิปัสสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งใช่ไหมคะสมมติถ้าเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเมื่อกี้พระอาจารย์เราก็เดินจงกรมทําวิปัสสนาได้จริงๆริงถ้า <dai. S 2> เราจะนั่งขอบได้ไหมคะหรือว่านั่งสมาธิเสร็จแล้วแล้วพอนะเราออกจากสมาธิเราก็ ว, วิปัสสนาได้เลยคือวิปัสสนา ม, นมันมีสองรูปแบบไงรูปแบบทําการบ้านกับรูปแบบทําข้อสอบถ้าเราทําการบ้านนี่เรายังไม่เจอทุกจริงไม่อข้อสอบเราเตรียมเราทําทําการบ้านเตรียมไว้ก่อนเช่นความเจ็บของร่างกายนี่เป็นข้อสอบ ตอนที่เรายังไม่เจ็บก็ถือว่าเราทําการบ้านสอนว่าวิธนามันไม่เที่ยงนะมันเกิดดับเกิดดับมันอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เวลามันมาก็ต้องหัดอยู่กับมันให้ได้อนี้ก็สอนไว้ก่อนทําการบ้านไว้ก่อนถ้าอยากทำข้อสอบก็เวลานั่งเสร็จก็อย่าอย่าลุกนั่งต่อไปให้มันเจ็บอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็เจอข้อสอบทีนี้ก็ทีนี้ก็ใช้ใช้ปัญญาพิสูจน์ว่า อทําได้ไหมปล่อยวางมันได้ไหมทําใจให้นิ่งเป็นอุเบกขาอยู่กับมันได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังวานัสตานะถ้าไปยุ่งกับมันแสดงว่าถ้าสถ้าสองชั่วโมงที่เรานั่งแล้วไม่เจ็บไม่มีตัวเนี่ยมันจะไม่เจ็บอยู่แล้วแล้วก็อย่าลุกแล้วก็นั่งต่อใช้ปัญญาพิจารณาถ้ามันมีเจ็บปุ๊บลองดูว่าเราจะทนได้ไหมอันนี้คือการทำกันได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองนั่งดูจิตมันจิตมันอยากจะลุกแต่เราหยุดความอยากนี่ได้ไหมให้มันอยู่กับ ความเจ็บไปเพรต่อไปเราจะไปเจอความเจ็บที่เราหนีไม่ได้ใช่เวลาเป็นโรคภายแค่เจ็บนี่อยู่ตั้งตายค่ะแต่ถ้าเรารู้จักทําใจให้นิ่งอยู่กับมันเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เราค่ะอันนั้นเป็นข้อสอบนี่วิปัสนามีสองสองรูปแบบเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องวิปัสสนาแบบทําการบ้านก่อนอืเราเอาซ้อมไว้ก่อนเ้าเมื่อใไปเจอความตายทําใจได้เปล่า ได้เพระอาจารย์<ป>พูดถึงข้อสอบใหญ่หญค่ะเลงว่าทําข้อสอบอะไรก่อน อ, อาจารย์<ป>เดี๋ยวจะลองดูเพราะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การทำ<ม>ของอาจารย์ก็อ่านมาเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่ายิ่งมากยิ่งอ่านมากยิ่งดีวันนี้เดี๋ยวขอให้ลูกเข้ามานิดนึงคนเนี้ลูกกลับบ้านอาปุ่น<ป>ลูกชายท<า>ี่เขอปีสองอาปู่นมาเร็ว<ป>ลูกชายนี่ก็นั่งสมาธิพระอาจารย์เขาอยากจะเจอพระอาจารย์อยากจะพาไปหาแต่ว่าเขาให้หยุดแค่สามวันเองพอาจารย์ต้องเข้าเรียนสอเรียนก่อนนะอาจารย์ตอนนี้กำลังเรียนอระดมมี่อยู่อาปุ่นนั่งเล่นล้อเลย เป็นหมอค่ะปีสองปีสอยู่ที่ไหนเรีนที่ไหนอยู่พระมงกรครับอ๋อภาคมงกรนะอ๋อเป็นทหารด้วยใช่ไหใช่โดนตลอดเลยอ่นี่เป็นทหารด้วยเป็นหมอด้วยทำสองหน้าที่เลยครับนี่นะก็ตั้งใจเรียนนะให้มีสติอยู่กับการเรียนอย่าใจลอยอย่าไปคิดถึงเครื่องอย่าคิดถึงเรื่องเล่นอะไรต่างๆ ตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอะไรเอาแต่เรื่องการเรียนของเราอย่างเดียวก่อนเรียนให้จบแล้วก็ไปสนใจเรื่องอื่นต่อได้เงี้ยเดี๋ยวจะเสียการเรียนนะเดี๋ยวจะเรียนไม่จบต้องจัดเขาทำสมาธิด้วยครันอาจารย์มีคาําถามไหมเขาเริ่มเขานั่งสมาธิด้วยเนี่ยได้นั่นงแล้วมีอะไรถามไหก็ชอบถามแม่เราไปถามพระอาจารย์มาถามแม่อมีอะไรถามมาก เ, เลยาได้เลยก็ ท, ที่เคยถามไปก็เจอในพวกแบบว่าอืม ขนลุกนะครับทใครถามไปเราขอนลุกนั่งเราขอนลุกก็ไม่เป็นไรให้ร่วมเป็นอย่างนั้นอะ่ะพางทีมันนั่งแล้วมันมีอาการแปลกๆร้อยอย่างคนลุกน้ําตาร่วงหรือมีเสียงมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้มันอยู่ที่ลมหายใจถ้าเราใช้ลมหายใจเราก็กลับมาที่ลมหายใจถ้าเราใช้พุโทโธเราก็ต้องพุโทโธไปอย่าทิ้งพุโทโธอย่าทิ้งลมหายใจวัเนเดี๋ยวจิตเราจะได้สงบ พอสงบแล้วมันจะว่างทุกอย่างที่มันปรากฏมันจะหายไปหมดเนี่ยนั้นเหนือแต่ความสุขเหนือแต่ความสบายใจนะนั่นคือเป้าหมายของเราเราต้องการไปที่ความว่างที่สงบที่สบายอย่างอื่นนี้บางทีมันก็น่าดูน่าสนใจแต่มันอย่าไปหลงตามมันถ้าไปติดตามมันไปดูมันไปสนใจไปยุ่งกับมันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางของเรานะ นมีอะอาการอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจรับร้ว่าอมันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแล้วกันมีหน้าที่ดูลมก็ดูลมไปมีหน้าที่พุทโธขอพุทโธไปอย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งลมแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมก็วสิ่อควาสมสงบได้นะ ก็สั้นๆแคนนี้ก่อนนะคุณพระอาจารย์เดี๋ยวจะบวชด้วยนะคะเดี๋ยวพอปี2องเขาให้บวชที่วัดประวันถูมคะจะส่งไปหาพระอาจารย์เลยนะที่พระมุขเขาให้บวชเ่อกอนก็เมอกอ็มาอยู่วัดอาจาหลังจากบวช่วัดวแล้วก็ส่งอ๋อดีมากเลยพระอาจารย์หรือเขาะยุคนี้เขาไม่ได้ทำแล้วเราขอเขาไม่ได้พระอาจารย์เดี๋ยวลองขออาจารย์ขอมาวันหย ไม่ได้หรอกมันต้องอยู่อยู่กับกลุ่มเขากลุ่มเขาพาไปใใช่เราต้องอยู่ในส์รู้สึกเขาจะพาไประยองแทนเพราะอาจารย์ที่ที่สอนเขามีวัดอยู่ที่ระยองอ๋อไม่เป็นไรเราก็มาได้ค่ะไม่เป็นไรพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณไม่มีไรก็สวัสดีปีใหม่นะคะพระอาจารย์ขอรัพอาจารย์เดี๋ยวจะให้พทีเดียวพรอมกันหมดให้พรไม่ไหวที่เราคนได้ได้พระอาจารย์เดี๋ยวปิดท้ายจะให้พอทีเดียวเลยะอท้าฟังครับ คุณสายทิพจากมหาสารคามาารกับนมัสการากาพระอาจารย์ <c oughs> ค่ะก็ขออนุญาตรายงานการปฏิบัติค่ะตอนนี้ <c oughs> ก็คือนั่งสมาธิทุกวันค่ะแล้วก็พยายามเพิ่มเพิ่มเวลาค่ะปกติหนูจะนั่งแบบสบายๆไม่ปวดเลยประมาณห้าสิบนาทีก็เลยเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเป็นชั่วโมงสิบนาทีค่ะ ทีนี้พอมันเลยห้านาทีดูร่างกายมันจะนเหมือนมันจะอยากออกจากสมาธิแต่ก็พยายามอยู่ให้ถึงค่ะ <c oughs> แล้วก็นั่งสมาธิคราวนี้มันจะมีช่วงที่เหมือนนั่งไปแล้วก็สงบสงบดีค่ะแล้วก็มันจะมีช่วงนึงที่พุโทโธหายไปซึ่งแต่ก่อนเราจะไม่เคยรู้สึกว่าพุโทโธหายตอนไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะพุโทโธตลอดตอนนี้เราก็เลยขอนั่งไปแล้วพุโทโธหายในจิตมันก็เหมือนแบบ อ๋อพุทโธหายเหมือนทักตัวเองค่ะอ๋อมันเป็นอย่างงี้นี่เองแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมไปถึงว่าพอบอก high, พุทโทหายพุทโทก็มาค่ะ <c oughs> ก็เลยนั่งต่อแล้วสักพักมันก็เป็นเหมือนเดิมคือพุทโธหายอีกแล้วก็อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าอ๋อที่นั่งสงบแล้วพุทโธมันหายไปเองมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็รู้ตัว <c oughs> ว่าจริงๆเราไม่น่าไปทักตัวเองเลยค่ะ ไว้ไวถ้าคราวหน้าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่สนใจค่ะแต่อย่าลืมพุทโธแล้วกันค่ะนอกจากถ้าจิตมันว่ามันสงบมันก็พุทโธก็หยุดไปเองค่ะแล้วก็แต่ยงคิดอยู่ก่อนทั้งใช้พุทโธหนึ่งกลับมาค่ะทีนี้มีคําถามค่ะอันนี้คนละวันกันมีวันหนึ่งที่นั่งแล้วรู้สึกว่าแถวหน้าผากมันมันเหมือนมีอะไรกดแล้วความรู้สึกมันอยู่ที่หน้าผากเยอะๆจนรู้สึกว่าเรา มันมันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มาอยู่ที่ลมหายใจค่ะจิตมันมาอยู่ที่หน้าผากแล้วก็เหมือนแบบมีแรงอะไรมากดเนี่ยค่ะวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยทําสมาธิได้ได้ดีเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยไปสนใจเลยดึงกลับมาดูลองตอดึงกลับมานะคะไม่ต้องไปกังวลมันเป็นอาการชั่วคราวไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายของมันไปเองค่ะถ้ามันเป็นท่านผนังที่เราไม่นั่งก็อาจจะร่างไปหาหมอหรือว่ามันเป็นอะไร ถ้าเป็นเฉพาะตอนที่เราดั่งก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของจิตนะบางทีกิเลสมันสร้างมันสร้างปัญหาขึ้นมาสร้างสร้างเหตุขึ้นมาเพื่อลบกวนใจเราทดสอบใจเราแล้วเราไม่ต้องไปสนใจเหมือนเหมือนอาการคันบ้างอะไรบ้างนะเจ็บบ้างอะไรนก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วก็พุทโธของเราไปหรืออะไรไป ก็เลยพยายามที่จะไม่สนใจมันวันหลังๆ ก, <_ an> ก็ก็ไม่สนใจพยายามอยู่กับพุโทโธก็ดูสงบสงบดีค่ะแล้วก็เวลานั่งแล้วรู้สึกมันสบาย <_ an> พอมันสบายอยากนั่งไปเรื่อยๆค่ะไม่ถึงว <_ an> ่าเอ้ยวันนี้นั่งสมาธิตอนเ <_ an> ช้าก็อยากนั่งตอนเที่ยงก็อยากนั่ง <_ an> แต่ว่ามันมันไม่ได้ค่ะก็ัเรงงาฉันทะเกิดฉันทะขึ้นมาฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเกิดอิทธิบาทศี ค่ะในอธิบายสีเนี่แหละจะเป็นตัวที่พาเราไปถึงนิพพานได้ต้องมีฉันทะต้องมีความยินดีที่จะปฏิบัติแล้วความเพียนมันก็จะตามมาค่ะใจก็จะจดจ่อคิดแต่เรื่องการปฏิบัติใช่ค่ะอยากนั่งสมาธิตลอดไม่ไปคิดไปจะหาเพื่อนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วนั่งสมาธิดีกว่าปฏิบัติทำดีกว่าค่ะเหมือนเราก็ไม่ค่อยไปทํากิจกรรมอะไรมากเหมือนเดิมค่ะ ให้เวลากับการปฏิบัติมากขึ้นค่ะนั่นแหละถูกต้องพยายามตัดทางโน้กให้น้อยลงไปเรื่อยๆเพิ่มทางธรรมไวมากขึ้นมากขึ้นค่ะแล้วก็ปฏิบัติได้เต็มเต็มร้อยออถ่ะเต็มร้อยก็เรียกว่าสุปฏิปัโนค่ะค่ะแล้วก็อีกอีกอย่างก็คือมีสติในการตัดใจจากเรื่องอื่นๆที่เราเคยชอบชอบไปกินอาหารอร่อยก็โอ๊ไม่ต้องอร่อยก็ได้ อะไรเงี้ยค่ะมันก็ยิ่มเหมือนกันมันก็ผ่านไปคเหมือนกินยาที่ว่าเหมือนกินยาดับความหิวค่ะแต่ก่อนเราก็จะมีใจว่าเอ้ยต้องไปกินตรงนี้นะถึงจะอร่อยอร่อยดีตรงนี้ไม่อร่อยไม่อยากกินอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เอ้ยไม่ต้องนะเอาเอาใกล้ๆนี่แหละอะไรเงี้ยค่ะก็ตัดตัดใจได้เร็วขึ้นค่ะได้ดีอย่าไปติดรสชาติอย่าไปติดรูปเสียงติดรสมันเป็นเหมือนอยู่อที่ติดไฟเบ็ดมันจะทําให้เราติดมันแล้ว ก็จะไปไหนไม่ได้จะเข้าข้างหนไม่ได้จะเข้าไปในสมาธิยากเรียกว่าการมาฉันทะเป็นหนึ่งนนิวรณค่ะตอนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะมีอะไรจะถามไหมนอกจากรายงานแล้วมีอะไรจะถามจริงๆไม่ไม่มีคำถามค่ะคงมีแค่ที่ที่ตัวเองเป็นแบบนี้เฉยๆที่เหลือก็ ก็คิดว่าเดี๋ยวนั่งปฏิบัติไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ก็สมาธิก็ถึงแค่อย่างที่บอกพระอาจารย์ไปก็คือสงบแล้วก็มีพุทโธหายไปประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็พยายามนั่งให้ได้ทุกวันค่ะทำไปบ่อยๆแล้วมันจะมีประสบการณ์มากขึ้นเองต่อไปก็จะเป็นผู้ชํานาญการปฏิบัติเองทุกอย่างอาศัยประสบการณ์ใช่ไหมยิ่งประสบการณ์มากมันก็จะมีความรู้มากขึ้นไปเอง เหมือนค่อยๆได้เรียนรู้ตามที่เราเคยอ่านมาอะไรเงี้ยค่ะเราค่อยได้เจอแล้วก็จะอ๋อ๋ค่ะค่อยๆอ๋อไปค่ะอ๋อคุณได้คําตอบหายสงสัยอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อเรียกว่าถือมืออ๋อถือมืออ๋อเดี๋ยวค่อยๆออกไปทีละนิดค่ะถ้าถึงี้ปลก็ลองเลยว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองอืมค่ะค่ะก็มีแค่นี้ค่ะโอเคสาธุอย่าเลิกกันแล้วกันนะ เอาไม่เลิกค่ะไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นก็อย่าทิ้งการปฏิบัติคบางคนพลานพอมีเรื่องมีราวขึ้นมาเลยพลาดกับแฟนก็เลยโทษว่าปฏิบัติทำโดยไม่ได้ให้เวลากับแฟนแฟนเลยปวดแลเลยเลิกปฏิบัตินี้ไม่ได้นะต้องใครก็ปฏิบัติแล้วเราต้องรับปฏิบัตินะอย่าไปรับแฟน ค่ะไม่มีแฟนค่ะไม่มีใครให้ทะเลาะค่ะดี่าอยู่คนเดียวได้ดีนะอยู่คนเดียวค่ะสาทุคุณตอบท่านต่อไปเด็กชายนยพี่พิรสิตอยู่ที่ไหนพูดเสียงดังหน่อยจ้ะนามัสการค่ะอาจารย์เฮ้ยสอวกวนลูก พระอาจารย์วันนี้หนูไม่ได้อยู่ที่คอนโดวุฒิกาศนะคะหนูกลับมาที่บ้านนครนยศขออนุญาตให้แม่แล้วก็น้องแล้วก็ลูกมากราบพระอาจารย์ด้วยนะคะเชิญเชิญได้มาเลยมาเร็วๆๆๆเร็วเดี๋ยวแม่จะคุยก่อนเด๋ยมากมากราบกราบสาธุสาธุขอให้สุขใหจริญนะให้ร่ำรวยสาธุวันนี้รวยเปล่าวันนี้โหวยออก ญาติโยมเราให้พรมันมันมันหวยเหล่านี้ต้องให้พรขอให้ร่มำรวยรักษาทุก็นทั่วหมู่เพระอาจารย์คะอ่าว่าไงพอดีหนูจะถามเรื่องการปฏิบัติแล้วค่ะเชิญเชิญพอดีเมื่อคืนเนี้ยหนูก็ปฏิบัติไปแล้วทีเนี้ยตั้งแต่วันพุธที่แล้วใช่ไหมคะที่หนูคุยกับอาจารย์ครั้งแรกอะค่ะแล้วก็มาจนถึงวันเมื่อคืนนี้ค่ะ ปฏิบัติเนี่ยหนูก็เลยสงสัยว่าตอนตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเวลาเราภาวนาพุโทโธเนี่ยเมื่อก่อนน่ะหนูจะพร้อมกับหายใจเข้าแล้วก็พุทหายใจออกแล้วก็โธใช่ปะคะเสร็จแล้วทีเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันสติอะมันแวบมันจะไปคิดเรื่องน้นเรื่องนี้ตลอดเลยค่ะแล้วหนูก็เลยมาเปลี่ยนที่พระอาจารย์บอกว่าให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหนูหนูรู้สึกว่ามัน มันสงบขึ้นแล้วหนูนั่งได้นานขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็ถูกต้องแนสดงว่าปฏิบัติถูกทางนะถูกแล้วใช่ไหมคะใช่ไม่ต้องเศร้าสองอย่างเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคิดเกียพุโทโธก็ดูลมก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไปท่านี้น่ะก็จิตก็จะสงบได้หรือพุโทโธอย่างเดียวก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธเราจะได้สามารถปรับ ช้าเร็วได้ถ้าดูลมมันต้องไปติดกับที่ลมใช่ไหมเวลาพูดเข้าโทออกใช่ค่ะแต่ถ้าเราพูดโทอย่างเดียวนี่สบายกว่าไม่ต้องมามใช่ค่ะพระอาจารย์เมื่อวานนี้หนูเลยนั่งนั่งได้นานมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็อพอมันเริ่มเริ่มมีเวทนามันเจ็บอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยออกจากเครียกว่าออกจากสมาธิใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็พิจารณาไปด้วยว่าเอ อ, อ ม, มันมันเป็น เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปอมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ค่ะะพรราจย์มันเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนฝนตกแดดออกเราต้องหัดทำใจอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายสลับกันอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ได้ถ้าม่มีเวทนาก็นั่งเฉยๆไปดูลมไปพุดโธไปแล้วหรือทําให้คิดก็นั่งเฉยๆดูจิตก็ได้ดู ความหรือว่าจิตคิดปรุงแต่งหรือเปล่าถ้าไม่คิดปรุงถ้ามันคิดปรุงแต่งกาใช้สติหยุดมันค่ะอาจารย์แล้วทีเนี้ยอย่างแม่เขานั่งนั่งแล้วเขาก็เหมือนเขาจะหลับอย่างเนี้ค่ออาจารย์ก็สติไม่มีไงสติน้อยอต้องฝึกสติบอกแม่ว่าต้องพุโทโธทั้งวันเลยแม่พุโทโธทําอะไรกับข้าก็พุโทโธอาบน้ําก็พุโทโธล้างหน้าก็พุโทโธไปอ๋อค่ะเราจะได้มีสติ จะได้ตื่นตัวค่ะถ้าไม่มีสติใจมันเคริ้มมันชอบไปกับอารมณ์ต่างๆพอเวลานั่งมันก็จะเคลิ้มไปกับความสงบมันก็จะหลับเร็วอืค่ะพระอาจารย์แต่ถ้ามีพุทโธมันก็จะคอยดึงไว้ให้ตื่นไม่ให้เคริ้มไปกับอารมณ์ค่ะพระอาจารย์แล้วพอเราภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทโธมันมีความสุกมันเหมือนมันมันหายไป ในที่เราคิดอยู่ในใจอ่ะมันมันหายไป ม, มันก็เราหยุดเนี่ยถ้าเราหยุดมันก็หายไปช่วงช่วงที่เรานึกนึกอยู่มันก็เง okay. ียบเงียบไปอะค่ะพระอาจารย์คือถ้าจิตนิ่งไม่ไม่ม mm ีความคิดก็ไม่เป็นไรก็ให้ดูจิตไปดูความว่างไปค่ะแต่ถ้ามันคิดก็ต้องเอาพุทโธมาหยุดกันต่อค่ะอย่าปล่อยมันห้ามใช้ที่เราใช้พุทโธเพื่อไม่ให้ใจเราคิดเพื่อให้ใจเราเงียให้เราสงบ พอใจนิ่งสงบแล้วก็ไม่ทำพูดโธก็ได้ค่ะพระอาจารย์แต่ถ้ามันหายไปแล้วใจมาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้พุทดึงเรียกพุโทโธกลับมาใหม่ค<า>่ะนะค่ะ<า>เป้าหมายคือคอยสกัดความคิดคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดก็คือช่วงสมาธินี่ไม่ต้องคิดเลยให้มันสงบนิ่งเลยใช่ไหมคะอ่ใช่ใช ถ, ถ้ามันสมาธิมันจะได้พอหว่ามันสงบแล้วมันก็จะนิ่งไม่คิดเราก็ไม่ต้องใช้พุโทโธ แล้วพอสมมติเราเรานั่งไปจนแบบนิ่งแล้วแล้วเราถึงค่อยมาวิปัสนาคือการยังยังยังเวลานิ่งก็ให้มันนิ่งไปอย่าไปทําอะไรอย่าไปคิดค่ะให้มันถ้าอยากจะวิปัสนาก็ต้องรอให้มันออกจากสมาธิก่อนมันเริ่มคิดก่อนแล้วค่อยมาคิดทางปัญญาได้เช่นถ้านั่งออกจากสมาธิมามันเริ่มรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ พิจรณาเวทนาว่าเป็น น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปค่แล้วสอนใจให้ปล่อยวางให้นั่งต่อไปให้อยู่กับมันอย่าไปกลัวมันอย่าไปหนีมันอย่าไปอยากให้มันหายเพราะความอยากจะทําให้ใจเราทุกข์เข้าใจไหมเข้าใจค่ะพอาจารย์โอเควันนี้ใช่ไหมวันนี้เท่านี้ค่ะอาจารย์โอเค เห็นเดี๋ยวติดตามฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวอยากจะถามอีกรอบก็ได้นะตอนนี้ให้คนอื่นเข้าถามก่อนได้ค่ะพระอาจารย์อเคท่านต่อไปคุณก้องกสิทธิ์กรรมสการพระอาจารย์ครัอว่าไงมีอะไรไหมครับอ่าอ่าสงสัยว่าศาสตร์าสตรศาสตร์พระโพธิสัตว์นี้ครับเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการเจริญสติยังไงครับพระอาจารย์ อะไรนะศาสต ร, ร์ศาสตร์พระโพธิสัตว์ครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการเจริญสติยังไงครับ ไ, ไม่เข้าใจาศาสตร์โพธิสัตว์แปลว่าอะไรเอ่อที่เขาสวดมนต์นะครับพระโพธิสัตว์ที่เขาสวดมนต์ อ, อ๋อสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสติองเวลาสวดมนต์ก็ไปคิดเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับบทสวดมนต์ก็เรียกว่าเป็นการฝึกสติ ก็จะมัเนเหมือนโทรเนี่ยท่านานี้ท่านที่จะพูดโทก็สวดไปเป็นส่วนเป็นบทสวดมนต์ไปเป็นที่ศาสตรที่เขาเขาที่เขาเขาพูดถึงเรื่องแบบการดูรูปหรือว่าเหมือนการเขาจะเหมือนการสร้างสร้างบนเพื่อจะให้ไปเกิดทันพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยครับอ๋อนั่นเป็นเรื่องในวันไห ล, หลไม่ต้าไปสนใจเนะอ๋อพระเจ้าอย่าไปอย่าไป อย่าไป อ, าอย่าไปเลื่อนไปอนาคตให้ทําปัจจุบันให้บรรลุในปัจจุบันชาติไม่ใช่ให้ไปสร้างไปเกิดหให้หยุดการเกิดเห็นการที่จะไปสร้างการพบชาติใหมใน่นี้แสดงไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะทางของพระพุทธเจ้าคือหยุดพบชาติหยุดการเกิดด้วยการปฏิบัติทานฉินภาวนา แน่จครับพระพระพุทเจ้าก็ต้องเคยเป็นพระโพธิสัตว์สั่งสมบูรณ์มาไม่ใช่หรอครับก็เคยเนี่ยทุกคนก็เคยพวกนว้องเราเป็นโพธิสัตว์ทั้งนั้นอนะ่ะถึงมาถึงมาปฏิบัติธรรมกันในชาตินี้ได้ถ้าไม่เป็นโพธิสัตว์ก็ไปเที่ยวแล้วตอนนี้ไปเที่ยวไปดูหนังไปนั่งไปกินเบียกินเหล้าอะไรกันไปพวกโพธิสัตว์เขาก็จะเข้าหาธรรมเงิน หาทานหาศีลหาภาวนาบารมีทานบารมีศีลบารมีเห็นแต่ว่าโพธิสัตว์นี่จะไปเทนิพานเองนี่ยากแต่ถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วมันง่ายเพราะเจอพระพุทธเจ้าก็เจอทางนัดละถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกทางก็ต้องอ่ลองผิดลองถูกไปอีกหลายแสนล้านชาติเนี่ยกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ก่อนจะได้หลุดแล้วก่อนจะได้ถึงนิพพานแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้านี้ปั๊กเจอทางลัดนะพระพุทธเจ้าเป็นคนสร้างทางบอกทางลัดให้เราคือทานศีภาวนานั่นเราก็ไปทางนี้เลยดูสาวก ค, คนที่เจอพระพุทธเจ้าเขาเคยเขาเคยเป็นโท ธ, ธิสัตว์มาในชะ่ไหมเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากโพ ธ, ธิสัตว์มาเป็นสาวกะสาวกก็สัตว์ไป เมื่อมีคนมาบอกทางแล้วทำไมไม่เอาไม่ไปเดินไปทางที่เขาบอกอยังยยังอย า, ยอยายกจะไปค้นหาทางเองก็ไปสิไม่ว่ากันนะไปสวดมวนต์ไปไปสวดไอ้บริษัทนั้นนะแล้วก็ลอยแสนล้านชาติก่อนจะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเองเ น, ะนะีใจไหครับเขาบอกว่าถ้าถ้าพระบริ ษ, ษัทเนี้เขาจ ะ, จะเจริญสติเองนี่มันมันจะไม่ได้มันจะขัดกันใช่ไหมครับ ทุกคนก็ต้องใจเลอะในเงี้งนะไม่ว่าใครนะเป็นดับตายเหตุโนโนาถอะการปฏิบัตินะเอาแค่นี้ก่อนนะปัญหาเรานี้ปัญหาปัญหาไม่ไม่ควรที่ไม่อยากจะพูดมากเพราะมันทําให้เสียเวลาแบบครับผมเอาปัญหาที่เกี่ยวการปฏิบัตินี่ก่านะครับนะตัดไปได้เลยเป็นเรื่องเหนีวไหลนั้นเป็นเรื่องเรื่อ ง, ออ ง, องของกิเลสหลอกให้เราอไม่ให้เข้ามาปฏิบัติทำ หลอกให้เราเท <Okay. S 1> ่านั้นเองโอเคนะขั้นต <Okay. S 1> ่อไปคุณจุธาทิพย์อยู่ที่ไหนคุณจุธาทิพย์อุดอรเนอะอยู่ดีนามสกันอะรครเปล่าเอาหน้าเก่าก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แพ้หรอกอินนะคะเดี๋ยวหนูขอถามก่อนพูดดังๆหน่อยค่ะคือตอนนี้ที่ หนูนั่งสมาธิะค่ะพระอาจารย์ก็คือมันจะมีช่วงที่กําลังจะหมดลมนะคะะอาจารย์ทีนี้ก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาหายใจใหม่ก็ได้เนี้ยค่ะอาจารย์ก็หายใจใหม่แล้วอยู่ๆมันก็แบบลมหายใจมันก็หายไปะคะ่ะแต่ว่ารู้ว่าจิตมันก็ยังไม่ได้แบบปูดหายไปเลยะค่ะพระอาจารย์ก็ยังรู้สึกตัวอยู่คะ่ะแล้วก็พอนั่งไปเรื่อยๆก็เริ่มมีเวทนะคะาค่ะอาจารย์สุดท้ายก็ สู้เวทนาไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็ออกจากสมาธิแล้วก็ทํายืดขาอย่างนี้พระอาจารย์แล้วก็ดูสองตัวเองว่าเดี๋ยวเวทนามันก็จะหายไปนี่ค่ะพระอาจารย์รตอนนี้ก็คือทําได้ประมาณนี้นะคะ อ, อ๋อมันต้องมันต้อ ง, ม, องมันต้องอย่าไปยืดขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันหายเองมายืดขาแล้วมันไม่ต้องบอกมันก็หายเองที่เราปฏิบัตินี้ไม่ให้ขยับร่างกาย ให้นั่งต่อไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็หายเองมันเป็นอนันตาตอนนี้มันไม่หายก็อย่าไปอยากให้มันหายใช้ใช้พุโทโธสู้กับมันไปทข้าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเพื่อรับความอยากอยากให้เวทนามันหายถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเดี๋ยวลองดื่มน้ำเวทนาไปแล้วมันก็ความอยากให้เวทนามันก็หายไปความทรมานก็จะหายไปเราก็จะทำเรารู้สึกเรานั่งต่อได้ไม่เดือดร้อน กับเวทนาที่ยังไม่หายอความทรมานหายไปเพราะเราหยุดความอยากให้มันหายได้ด้วยการใช้พุโทโธพุธโทโธ น, นี่คือวิธีนะปฏิบัติไม่ใช่ไปขยับร่างกายแล้วว่าบอกเดี๋ยวมันหายไม่ต้องไม่ต้องมันไม่ต้อ ง, ม, องมันต้องไม่ขยับแล้วปล่อยให้มันหายเองอย่างนั้นนะทังนีเรียกว่าเป็นการปฏิบัติจริงทั น, นี้ขยับแล้วมันก็หายหมันมันหายทั้งนั้นแต่มันหายแบบมันหายแบบ มันมันหายแบบทําให้เรายังกลัวมันอยู่ถ้าเดี๋ยวมันมาคราวหน้าเรากลัวมันอีกแต่ถ้ามันหายแบบที่เราไม่กลัวมันต่อไปเราก็จะไม่กลัวมันเพอเรารู้จากวิธีปฏิบัติมาก็มาสิมันก็เจ็บข้าร่างกายแต่ใจเราไม่เจ็บใจเราไม่ทรมานใจมันเต้นเต้นเต้นเลยค่ะพร่อาจารย์ใจมันกี่ละมันอยากจะให้มันหายอยากจะหนีจากมันอยากจะขยับ แสดงว่าสติเรายังกำลังน้อยปัญญาเรายังไม่มีก็เลยช่วงนั้นเวลาเจ็บมากๆก็ใช้พุทโธช่วยก่อนก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บแ้เดี๋ยวพอใจสงบลงแล้วความเจ็บยังอยู่แต่ความทรมานหายไปนั่จะรู้สึกเบาอยู่กับความเจ็บได้มันเหมอือนไม่เดือดร้อน นะีย๋ยวให้ยินากันอันนี้อยู่กรุงเทพเหรออยู่กรุงเทพนะคะพี่พอาจารเดี๋ยวให้ยิคอาจารย์เดี๋ยวพี่อาจารย์่ <Okay. S 2> ย น, น, นว่ายังไงยืนออถ้าเกิดว่าเราจะอยู่กับลมหายใจอะครับเราจะต้องทำยังไงอะครับมาดูกันเลยดูกันที่ปลายจ ม, ม, ม, มูกอะดูว่าเวลามันเข้ามันก็นต้องเข้าที่ปลายจ ม, ม, มูก เวลามันออกมันก็ออกที่ปลายจมกูกนั่งหลักตาไม่ต้องดูด้วยตาดูด้วยความรู้สึกเราจะรู้สึกเวลาหายใจเข้าเราจะรู้สึกว่ามันอยู่แถวปลายจมกูกนะถ้ายังดูลมไม่ได้ก็ใช้ดูพุโทโธไปก่อนท้อพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแทนก็ได้นะพุโทโธจะง่ายกว่านะแต่ถ้าหนูดู ด, ดูลมได้ก็ดูลมไป แต่ไม่ได้ดูด้วยตานะดูด้วยใจดูด้วยความรู้สึกไม่ต้องเลืมตานั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงลมที่อยู่ที่ปลายจมูกที่เข้าออก <c oughs> ถ้านึกไม่ออกนึกไม่เห็นก็ใช้พุทโธพุทโธแทนนะอย่าไปคิดอะไรเดี๋ยวหนูก็จะไปพบกับความสุขเข้าใจไหม โอเคลองทำดูนะแล้วลองมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะอเนาะออลนะ อ, นนนะอันต่อไปคุณพรดาจะมีอะไรจะพูดไหมหรืจะฟังอย่างเดียวการวัชการค่ะอ่ะ<ม> า, า ไ, ได้ยินได้ยินได้ยิ น, ยนช่ะมีสองคำถามค่ะเอาเลยค่ะคือคำคำถามแรกก็คือวันที่ไทท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้ว มันมันมันวูบอ่ะค่ะหนูมันวูบมากแล้วมันเดินเดินเดินไม่ได้มันต้องเกาะอะไรเงี้ยไปค่ะอ๋อก็แสดงว่ามันมันไม่มีเรี่ยวแรงแล้วหนูก็พิจารณาว่าหิวหรือเปล่าเดิมน้ําตาลว่ามันทําไม่ได้กินมาหลายวันมันก็เป็นธรรมดาแล้วแล้วก็ทีนี้ยพอพอตอนที่มัน หิวหรือว่ากําลังคิดว่าหิวหรือว่ามันหมดแรงมันหมดแรงนล้วที่เนี้ยมันก็หายพลังๆไงตัวเองเหมือนแบบมีเหมือนตัวเองเป็นกระดูกเห็นเหมือนไม่เห็นไม่ใช่เห็นนะคะแต่แบบรู้สึกว่ามันเป็นเพียงอาการ312ค่ะรู้สึกว่าเหมือนเป็นแค่เป็นแค่กระดูอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะเราคิดเอาเคยคิดหรือเปล่าค่ะ ก็เคยคิดเนี่ยนะมันก็คิดไปให้มันเพราะมันเป็นความจริงด้วยแต่ใจเรามักจะไม่คิดว่ามันเป็นกระดูไม่คิดว่ามันเป็นอาการส 3.2 มักจะไปคิดว่าเป็นเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เคยคิดตัวเองคิดคนอื่นเงี้ยเป็นเป็นกระดูอยู่บ้างค่ะพอถึงอาการตอนนั้นมันหมดแรงแล้วอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาเลยมันขึ้นมาก็ดีมันก็เป็นปัญญาพยายามคิดบ่อยๆ คิดบ่อยๆได้ใช่ไหมแปลว่าทุกคนทุกคนนี้เหมือนกันหมดมีกระดูกเหมือนกันหมดทุกคนมีโครงกระดูกแล้วก็อีกอีกอันนึงคือวันที่หนูทําสมาธิตอนแรกที่ทํานานๆไปอย่างเงี้ยค่ะวันแรกๆมันไม่เท่าไหร่ค่ะแต่วันหลังๆอ่ะมันเหมือนแบบมันเจ็บมากแบบเจ็บมากแล้วทีเนี้ยมันยังไม่คบเวลาหนูก็คือไม่ไม่ยอมไม่ยอมรู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ดิ้นเหมือนแบบจิตมันดิ้น ไปตรงโน้นไปตรงเรนบอกว่าเราไม่มีสติคมันอ่าเตอนนั้นมันคนเราต้องใช้พุทโธพุทโธพุทโธแล้วมหนูพุทโธพุทโธพุทโธไม่อยู่เสร็จหนูก็คิดถึงคําที่พระอาจารย์บอกว่ายอมหยุดเย็นเอหนูก็เลยยอมให้มันเจ็บทีนี้อให้มันหยุดเจ็บแล้วก็เจ็บอยู่ตรงนั้นรู้สึกมันให้มันเจ็บก็ยอมเจ็บไปเลยเจ็บไปเลยอมันก็มันก็หยุดดิ้นมันก็หยุดดิ้นนะพอยอมมันก็หยุดดิ้นแล้วมันก็เย็น สบายอยู่กับมันได้อยู่ได้แล้วก็ค่อยหมดเวลาค่อยลุกค่อยเลิกนั่นแะถูกต้องอันนี้ทําทําถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วเป้าหมายก็คือยอมหยุดเย็นกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับยอมหยุดเย็นกับความแก่ยอมหยุดเย็นกับความเจ็บไข้ได้ป่วยยอมหยุดเย็นกับความตายเพราะมันต้องเจอมันหนีไม่พ้นแต่มันดิ้นมากเลยมันให้ลุกอย่างเดียวเลยปวดแบบนั่นแหะ มันเป็นการปลงไงยอมหยุดเย็นนี่คือการปลงยอมแพ้ไงยอมอ้ามึงจะเจ็บก็เจ็บไปใช่ใชอ่อ่คิดอย่างนั้นเราก็ดูตรงนั้นที่มันเจ็บไปเลยแล้วะ็อ่ามันก็หยุดค่ะก็อยู่กับมันได้มันเจ็บก็เจ็บไป เ, เราเป็นผู้รู้มันก็อยู่ก็รู้มันไปนั้นเองใช่ใชความรู้สึกนั้นเป็นแบบนั้นนะคะอาจารย์เราไม่ได้ไปเจ็บกว่มันเราไปเราไปหลงเจ็บกว่มันเองใช่ตอนมันดิ้นน่ะมันคือเราเราไปเจ็บแต่พอพอคิดอันนั้นขึ้นมาได้มันก็ ก็เลยราเป็นผู้รู้เราไม่ได้เจ็บผู้เจ็บคือร่างกายร่างกายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายก็ไม่ได้ดินน้นใช่ค่ะขา ม, ข ม, <ต>มันก็อยู่ของมันมันก็อยู่ของมันอย่างเดิมแต่ตัวท่ดิ้นก็คือจิตเนี่ยตัวผู้รู้อะไรขาพรอาจารย์พอยพอให้มันยอมป้าปันก็หยุดดิ้นหยุดค่<ล>ะพักหนึ่งไม่นานเท่าไหร่มันก็หยุดไปตรงนั้นเลยเด็กตจ้าเนี่ยมัน การปฏิบัติการอดอาหารนี่มันช่วยทำให้จิตเรามีสติมากขึ้นมีพลังมากขึ้นที่จะสู้กับความเจ็บได้ง่ายขึ้นมีเท่านี้ค่ะพระอจโอเคก็ทำต่อไปนะมีโอกาสอดได้เมื่อไหร่ก็อดไปเลยเจ้าค่ะแต่มันอดแล้วต้องปฏิบัตินะอย่าอดเฉยๆอย่างเดียวเจ้าค่ะการอดนี่เพื่อเป็นการเสริมเป็นเครื่องเสริมความ ความเพียรเสริมเสริมกําลังให้กับจิตเวลาจิตอดนี่มันจะฮึดสู้มันจะมีกําลังสู้เวลามันอิ่มมันจะขี้เกียจมันจะไม่อยากจะสู้อะไรมันอยากจะนอนมันเหมือนเวลาอยู่ในนั้นอยู่อยู่ตอนที่ปฏิบัติกับตอนออกมาแล้วเนี่ยมันมันต่างกันมากเวลาที่เราได้ทําอะค่ะใช่เพราะาตอนนั้นจเจริญสติตลอดอได้ทั้งวัน เวลาออกมามันก็เริ่มทะเลยทลายไปใช่ค่ะเหมือนเราทําอะไรก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาเรียกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบทําได้เลยนึกอย่างอื่นมันก็ดึงกลับมาคือมันอยู่ทั้งวันอยู่คนเดียวอดีปฏิบัตินะค่ะถ้ามีโอกาสเขาพยามเป็นวิเวกไปเรื่อยๆไปปีกวิเวกได้ค่ะพรอาจารย์ของข้าขอบพระคุณค่ะโอเคคุณทวิษฐ์คุณทวิษา อยากสวิสเซอแลด์เป็นยังไงวันนี้ค่ะการน้มักการะพระอาจารย์มีอะไรวันนี้ไม่มีข่าวไม่มีคาถามค่ะค่ะก็น้องคาจีนได้ของพระาจายเื่องทบุญไปปฏิบัติค่ะอ่าดีค่ะไปเรื่อยๆนะค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณวลคุณวลครับกลับเป็นยังไงมีอะไร ไปตักบาทได้ไหมครับก็ยังบินตบาตอยู่เนี่ยยังไม่ได้หยุดขึ้นหอชัปป้ปกติใช่ไหมครับฮะเขาคงไม่ห้ามผ้าบินตบาตรหรอก็ห้ามแล้วเขาก็ต้องเอาอาหารมาสง่งให้ผ้าเองแต่ผ้าจะไปกินที่ไหนถ้าไม่วินตบาตรเห็นเห็นมีข่าวบางละมุงก็เลยไม่ทราบว่า อ, อย่างไรครับอ๋อเขาห้ามแต่พวกบันเทิงพวกแหล่งร้านอะไรต่างๆร้านร้านสนุกเกิร์ร้านบาร์ร้านเบียอะไรต่างๆนี่ ถ้าไปซื้อหารก็ยังให้ไปซื้ออยู่ร้านเซเว่นนั้นวันนียังเปิดอยู่ซื้อได้พาก็เป็นระบาดได้บ้เหมือนเดิมเครับเดี๋ยวปีใหม่ว่าจะไปกราบแล้ยิงเป็นธรรมเนียมของชาวไทยพูดด้วยเวลาปีใหม่ก็ต้องทําบุญกันทุกไทยบาทกันเป็นสิริมงคลกับชีวิตเขาคงไม่มาห้ามไม่ให้เป็นรบาดนอกจากมันเป็นเป็นเหตุที่ทําให้เกิดติดเชือเ้อกันจริงๆก็กล่าวถึงอยาง พระก็ต้องใส่หน้ากากสวมหน้ากากกัเป็นสบายยากโยมที<อ>่ใส่บาตรก็ใส่หน้ากากก็น่าจะโอเคอมันก็ป้อง ก, กันทั้งสองด้านในด้านทางโลกก็เข้าใจอย่างนี้แต่ถ้าด้านทางธรรมบอกว่าถ้าคนทํากรรมมายังไงมันอยู่ปลอดภัยยังไงก็ต้องติดแต่ถ้าไม่ได้ทำกรรมมาใช้ชีวิตมันก็ไม่ติดอันนั้นมันจริ ง, ไ, รงไหมครับรมันไม่จริงหรอกเราไม่ไทํากรรมมาเราไปอยู่ใกล้เชื้อโลกมันก็ติดนแบบในกรรมทำให้เราเชื้อโลกมาอยู่ใกล้เราแบบให้เราไม่ทากรรมมาให้แบบ ดวงซวยไปเจอชั้นโลกอะไรแบบนั้นเนี่ยไม่หรอกมันก็มีส่วนแต่มันไม่ได้ส่วนน้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดีมันจะติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดนะคิดอย่างนั้นก็แล้วกันไม่คิดกรรมหรือไม่กรรมมันม่ติดก็ติดมันไม่ติดก็ไม่ติดก็แล้วกันครับคือทางที่ดีก็อย่าประมาทเมื่อรู้วิธีติดมันเป็นยังไงถ้าไม่อยากติดก็ป้องกันมันสิใช่ไหมครับขนาดเอง พ่อค <rium> <Dante> รมีครับมีครับหลวงพ่อครับพี่เห็นหลวงพ่อชอบอวยพรเปยหมาปีใหม่ว่าเอวังโหตุมันคือแบบเออคือหลวงพ่อให้พรอย่างนี้ใครให้แล้วไม่เคยให้เอวังโหตุโอมีมีมีอะไรอ่ะที่ขะหนังสือครับหลวงพ่อบอกพระพระปัจเจกบอกว่าแล้วหลวงพ่อก็เลยขอเอาพรของพระปัจเจกนี้มาบอกไม่ไม่ใช่เราหรอกเราไม่เคยพูดถึงพระปัจเจกไม่เคยพูดถึงเอวังโหตุใครได้อาจํามาจากที่ไหนอ่ะ ที่ขั้นหนังสือของหลวงพ่อเขียนเลยครับมันไม่มีหรอกไปเปิดมาดูเลยไม่มีหรอกไอ้วังโคตุลยังไม่มรูร้ความหมายมันเป็นยังไงแล้วมันจะไปใส่มันได้เลยมันข้ามไปเลยครับเพราะฉะนั้นจำได้ว่าที่ททขั้นหนังสือของหลวงพ่อเรา ไ, ไปเปิดดูใหม่ไปเปิดดูใหม่ไปครับ <aim. S 2> ไม่เห็นมีเลยทีม ง, งานมีเห็นไหมไอ้วังโคตุมีใครเห็นไหมยังยังไม่เห็นนะครับไม่มีหรอก เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหยิบมาไม่เกินไม่เกินสิบวิครับเดี๋ยวจำผิดหรือเปล่าจำวาดผิดหรือเปล่าจำพาะผิดหรือเปล่าลงลงพ่อแน่นอนครับนี่ครับไหนแล้วไอ้วางหตุยอยู่ตรงไหนเีตรงไหนไม่เห็นมีเลยเาเข้ามาใกล้ใกล้ฮไหนมองไม่เห็นอ๋อไอ้วางหตุ อันนี้จากที่ไหนอ่ะอันนี้ไม่ไม่รู้ใครทํำนะเรไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ทำหรอกอ่าเราไม่รู้ใครทำรุ่นรุ่นแรกเลยนะฮะของของพระบอมนะฮะเออครับรุ่นแรกเลยฮะแล้วก็ไอว้วางโฮตูมาจากที่ไหนอ่ะแปล ว, ว่าอะไรรู้ไหมไอว้วางโฮตูสมความปรารถนาเลยโอเค แต่เราไม่เราไม่ได้เป็นคนพูดเองเขียนเองบางทีทีทมงานก็ถ่ายเข้าไปให้อ๋อก็เลยเห็นก็เลยหลงพ่อเอ๊ะหลงพ่อบอกไม่ได้พูดเอ๊ะก็เลยงงเอ๊ะทำไมเรานี้มึเอเพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องบาลีอยู่ล่าภาษาบาลีเคยสังเกตรเราพูดภาษาบาลีบ้างมั้ยนหนักนนา น, นานทีก็เฉพาะศัพท์ที่จําเป็นจริงๆเช่นวิทยนาขันห้าอะไรอย่างนี้ก็สัญญาวิทานาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเอง พวกนีไม่เคยพูดหรอกนองจากบทสวดบทสวดใ่อายุวันเดสู่ขังพลัมอะไรเงี้ยก็แต่ก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามันมีแต่เราเราไม่เคยเราไม่ได้บอกออกจากปากของเราเองเราไม่ได้เขียนเองบางทีทีมททงานเขาก็ไปคัดเอามาใส่ใส่ให้เราไม่มีเวลามาตรวจทุกอย่างไม่เป็นไรเราดีถามก็ดี แต่เราก็ให้คําตอบไม่ได้ลองไปถามอินเทอร์เน็ตอดูดีกว่าอวโหตุแปลว่าอะไรหลวงพ่อแล้ที่บอกอินรี่แก่กล้าแปลว่าสติแก่กล้าหรือเปล่าครับหรือมีมากไหมอินทสี่ก็มีห้ามีสติศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกวอินทสียห้าเวลาคนฝรั่งที่มาคุยกับหลวงพ่อนี่เขาพวกเขาเป็นคนพุทธไหมครับหรือแค่สนใจเรื่องส ต, ติกันกันเลยไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามเขา เขาอยากจะปฏิบัติชอบเขาก็มีคําถามเขาก็ถามไปเราก็ตอบไปพอเขาถ้าเขาปฏิบัติเขาก็เป็นพุทธโดยอัตโนมัติน่ะก็จะถือว่าพูทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณาหรือไม่ก็ตามในทางปฏิบัติก็ได้ถือแล้วละ่ะก็การคําสอนที่เป็นคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วอาจา้ย์ครับมันมันมันเรียงเป็นลำดับขัน้นหรือมาข้อมกันนะครับอิ็นซีห้าเลย มนส่วนใหญ่มันก็จะไปพร้อมๆกันแต่มันมันกามักจะมีตัวศรัทธาเป็นหัวหน้าหนึ่งตัวอื่นไปต้องมีศรัทธาก่อนพอมีศรัทธามันก็จะมีวิริยะสติสมาธิปัญญาตามมาเนี่ยมายาบุกศรัทธาไว้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆวันนี้ก็จะเกิดเองพอมีศรัทธามันก็จะมีความเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสอน ทำสอนก็สอนให้ปฏิบัติเจริญสติสมาธิปัญญามันก็ตามไาโอเคคนับบางทีนั่งสมาธิแล้วเออนั่งห้านาทีบางวันยังรู้สึกมีประโยชน์กว่านั่งสามสิบนาทีถ้าจิตมันไม่ใจงบบางทีนั่งห้านาเออใช่มันไม่ได้อยู่ที่เวลามันอยู่ที่ความสงบอยูที่ผลเหมือนไปตกปลาเนี่ยตกปลาชั่วโมงหนึ่งได้หนึ่งตัวตกปลาห้านาทีได้สิบตัวเงี้ยใช่ไหมควร ถ้าเป็นวัดอะไรผลผลประกอบการเหรอครับคนวัดที่ความสุขใจความดีใจก็วัดที่ผลยไม่ได้ไปวัดที่เวลานั่งสมาธิโอ้ยวันนี้นั่งได้ชั่วโมงแต่ฟุ้งซ่านทั่งชั่วโมงนี้ก็มันก็ไม่ได้นั่งนั่งสมาธิห้านาทีจิตสงบห้านาทีมีความสุขไม่เคยไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนเล ย, ยงั้นดูที่ผลคือความสงบ เมื่ไม่สงบถ้าไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่ได้ผลครับแล้วบางทีแบบนั่งเข้าตันเท่าไหลก็ไม่สงบเอ๊แต่พอเลิกนั่งแบบนั่งอะไรไม่สงบมันสงบตอนนั้นนด้ถึงเออพระอานนท์เลยป่ะครับอ๋อไม่เราเนี่ยมันสงบแปลว่ามันสงบเพราะมันจะได้ไปเที่ยวแล้วมันก็เลยเลิกเลิกต่อต้านเวลานั่งมันต่อต้านมันไม่อยากจะนั่งมันก็ต่อต้านมันก็เลยฟุ้งขึ้นมาพอเลิกนั่งบ้างมันก็เลิกต่อต้าน มันก็เบารู้สึกเบาออกเบาใจขึ้นมางั้นไม่งั้นไม่ได้ว่าสงบแล้วแบบพานนนน์เป็นยังไงอ่ะพอพานน์นน์เด็กอ ย, อ, อ, อย่างคนละเรื่องกันเห็นพานนนน์บอกเพียรมาทั้งทั้งสามเดือนไม่ไม่บรรลุสักทีพอจะนอนเอาบรรลุเองเอ่นั่นแหละอย่างคนละเรื่องกันเอาแค่นี้ก่อนนะไอ้เขาอีกขอขอข้อหนึ่งครับว่ามา ที่บอกว่าการภาวนาคืออาหารใจเอ้าแล้วแบบนี้คนที่ไม่ภาวนาไม่ได้อาหารใจก็อาหารใจมีสามระดับเนี่ยทานก็ละศีลสมาภาวนานี่เป็นอาหารใจทั้งสามมีความมีมีพลังมากน้อยต่างกันครับ uh. มีผลประโยชน์ต่างกันทานก็เป็นระดับล่างศีลก็ระดับกลางภาวนาก็ระดับสูงครับครับเดี๋ยว เดี๋ยวปีใหม่ไปกลับหลวงพ่อครับแต่หลวงพ่อไม่ใหม่ก็แบบออฉันลงไหมครับหรือว่าวันเสาร์ไม่ลงช่วงสี่วันนี้ไม่ได้ลงไม่ลงวินาบาเสร็จก็กลับไปชั้นที่กุฏิแล้วเข้าแล้วก็เก็บตัวไม่รับแขกรับคนโอ้โหก็เหมือนก็เหมือนไม่คุยกันในนี้แหละนี่แหลก็รับแขกวันนี้แหละนี้นะถ้าอยากจะรับขามาเราก็มาเข้ามาในในซูเนี่โอ้โหแบบนึกถึงสมัยก่อนอ่ะหลวงพ่อ สมัยก่อนสมัยนี้มันคนละสมัยแล้วสมัยก่อนไม่มีใครมานานๆมีคนมาสักคนสองคนแบบขึ้นไปคนเข้ามาทุกทั้งทั้งวันทั้งคืนมันรับไม่ไหวหรอกมันก็ต้องแบ่งเวลาครับโอเคครับไอนะถูคุณจอยคุณจอยไปยังไงพูดดังๆหน่อย ยอดดีค่ะเยกแล้วมาเลยอาจารย์เหนูแล้ ว, วอ่าวันดีจ้าวันดีครับอ่ชื่ออะไรครับชื <c oughs> ่ออะไรชื่ออะไรถูกสารครับฮ่าฮ่าฮ่าฮที่ที่เนี้ยค่ะที่บางละมุงที่อยู่ค่ะตอนนี้เขาเป็นหนักเลยค่ะเออก็ยาวเลยแล้วถ้า <c oughs> ออกไปไหนวันนี้จะไปตัดผมกันก็ไปไม่ได้เลยเออ อาจจะเพาะอาหารอย่างเดียวมันพ่าดไปซื้อของจำเป็นอาหารยาพวกนี้ใช่แบบว่าตอนนี้โรงเรียนก็ปิดหมดแล้วไม่ให้ไปโรงเรียนแล้วเออนี่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าสวมหน้ากากเวลาเอาเครืงนามันต้องสวมหน้ากากอามายัยก็พรุ่งนี้อาจจะไปใส่บาตรพระอาจารย์แต่ว่าน่าจะไปได้ใช่ไหมคะได้ได้ใส่บาได้อยู่ยังไม่ห้ามเพราะว่าพรุ่งนี้มันสามสิบเอ็ดแล้วก็อยากปไปไส่บาอาจารย์จะเล่นเพงนี้คนก็ใส่สายบาตรกันมากอาจารย์เรียกหนูยันเรียกแล้วเอาอีกแ้ เาอย่างไงเพรถามว่าพระหลวงพ่อเรียกหนูยางเรียกแล้วสวัสดีครับก่อนเลยอ่าพรุ่งนี้ใส่บาตรนะพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรพอไปใส่บาตรก็ไม่คุยไม่คุยอารมณ์เม่อตื่นเช้าไปออยากอยากจะให้พระอาจารย์แนะนําตอนถ้าเราอยากอยู่บ้านแล้วเราอยากปฏิบัติธรรมที่บ้างแบบถือนสินนะคะควรทํายังไงบ้าง ก็ถือสินไปเถอะสินห้าสินแปดก็ถือไปอยากจะถือข้อไหนก็ถือไปอเพราะเรานั่งสมาธิกลางแล้วแล้วก็หาเวลานั่งสมาธิเวลาที่ลูกๆหลับแล้วเวลาที่ไม่มีใครมารบกวนเวลาที่ยังมีเด็กมารบกวนนั่งไม่ได้เราต้องดูเขาไปก่อนคุณข้าก็ฟุ่นแล้วค่ะเออ เป็นธรรมชาติของเด็กก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะไม่รู้จกผิดถูกดีชั่วอะไรก็ทำไปตามตามความรู้สึกนึกคิดของเขาวันนี้ก็มาฟังค่ะฟังไปเรื่อยๆนะโอเคสาธุคุณนภพรอยู่ที่ไหนคุณนภพรกรธรรมสการค่ะอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเคยเข้ามาครั้งเราใี่ไหม ครั้งที่แล้วครั้งแรกค่ะครั้งนี้ปนครั้งที่สองค่ะอ่าเป็นไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีคำถามเหมือนเดิมค่ะเข้ามาตั้งใจเข้ามาฟังการสนทนาธรรมกันค่ะ ค, คิดว่ามีประโยชน์มากๆค่ะแค่ฟังก็ได้ประโยชน์มากๆเลยดีจ้ะโอเคนะฟังต่อไปกันแล้วกันนะขอบคุณค่ะคุณจิ๊บจากนอ r t h แค r o l ลน a เอ้ไม่ใช่จากจากแมริแลนด Silver s p r i n g ิัสดค่ะอาจารย์ ซีเ <Silver> วิรสปิงบาร์เอรเจ้าโอ้เออเกตเดอร์สเปิรก์กค่ะเกตเดอร์เบิร์กโอเคใกล้ๆกันค่ะเปันไงมีอะไรไหมวันนี้อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาขอประทานภัยบไ อ, อไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความผิดอะไรจะมาไม่มา <C> e <at> ไม่ถึงอเพรายมยุง ม, มาอาทิตที่แล้วเพราะว่าวันอะไรอยี้ก็แบบโอ้ยุง่งจริงๆค่ะมาได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะบิลินทอนบอกว่าท่านถามถึงโยมเข้ามาฟังย้อนหลังก็ได้ฟังเหมือนกัน ค่ะวันนี้ก็พระอาจารย์สบายดีนะคะค่ะคือโยมมันถามไว้ด้ยคืออยากจะถามว่าถ้าเวลาเราไม่ได้นั่งสมาธิแต่ว่าเวลาเราทํากิจวัตรประจำวันแล้วเราก็อิจ พ, พ, พุทโธพุธโธไปเรื่อยๆมันจะมีจุดไหนไหมคะที่มันจะพุธโธอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเอาจิตเราไปนักงอุ้ยเราต้องนึกพุธโธแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำไม่ปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัย ทำไปเรื่อยๆมันจะเป็นจิตอัตจิตเอมันจะเป็นอัตโนมัติต่อไปมันก็จะพุทโธออกมาเองค่ะอย่างนี้เราก็คือไม่ว่าทำอะไรเราก็ฝึกฝึกพุทโธไปเรื่อยๆตอนนี้เรายังจิตเรายังไม่ติดพุทโธมันยังชักไปติดเรื่องนี้อยู่มันก็เลยต้องบังคับให้มัน่าให้มันติดพุทโธให้ได้หลังจากเราไปติดพุทโธแล้วมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าการที่เราฝึกจิตพุทโธนี่คือเหมือนเราฝึกให้จิตเกิดจิตผู้รู้เหรอคะพระอาจารย์ไม่ฝึกเพืเราหยุดความคิดไนงะหยุดความวคิดต่างๆ ต, งตอนหยุดความคิดแล้วผู้รู้ก็จะปรากฏชัดขึ้นมาให้เราเห็นเองอตอนนี้ความคิดมันปิดมันกั้นผู้รู้อยู่ผู้รู้เนี่ยเหมือนจอทีวีไงเวลาเราเปิดทีวีมันก็จะมีภาพบนบนจอเราก็เลยมองไม่เห็นจอเห็นแต่ภาพ พอเราปิดทีวีปภาพก็หายไปที่นี่ก็เหลือแต่จอให้เราเห็นนะอ่ะแล้วจิตผู้รู้ถ้าเราถึงขั้นที่เห็นจิตผู้รู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรอคะก็เกิด<ะ>ความความสุขเกิดความสงบพอความที่หายไปจิตก็เน่งเป็นสมาธิก็เกิดความสงบเกิดรู้เบิกขาแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมากขึ้นว่าอ๋อเราที่แท้จริงก็คือผู้รู้นี่ไม่ใช่ผู้คิดนะอ๋อคือ S <S เราำว่าไอ้คําว่าเรามันจะหายไปเวลาหยุดคิดเนี่ยมันก็จะรู้ว่าไอ้ไอ้คาว่าเรานี่มันเป็นเพียงแต่เกิดมาจากความคิดเท่านั้นเองพอหยุดคิดเราก็หายไป่ <S <S 2> <S 2> แล้วถ้าเรานั่งไปเรื่อยๆแล้วถ้าถ้าเวลาเรานั่งสมาธินั่งไปจนถึงจุดที่มันสงบแล้วบางครั้งเถียงที่ททกบางท่านบอกว่าลืมพุโทโธไปแล้วก็กลับมาคิดพุดโทโธแล้วเราก็นั่งสงบไปเรื่อยๆจนถึงขั้นไหน ถ้ามันสงบก็ไม่ต้องพูดโทรถ้ามันสงบแล้วมันมีความสุขมันก็อยู่กับความสุขไปอยู่ไปนานนานปจารย์ถึงจะเลิกแล้วแต่กําลังของสติจนกว่ามันจะคิดพอมันคิดใหม่แล้วก็พูดโทรใหมอ๋อค่ะแล้วเห็นบางท่านเคยพูดว่านั่งจนจิตสมาธิได้อุบอุเบกขานั่งเป็นยังไงคะได้อุบแบบถึงขั้นหละพอมันสงบก็ได้อุเบกขาคือปล่อยวางนิ่งไม่ไม่ได้จะไม่มีอารมณ์กับอะไร ได้ยินเสียงก็เฉยเฉยร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนแล้วค่ะอ๋ออันนี้ก็คือคล้ายๆคือการที่ยอมยอมหยุดเย็นเหมือนกันก็คื อ, อาการได้อุบัติอันนั้นแบ บ, บใช้ปัญญาอันนี้เร า, เาใช้สติเวลาสติก็พุโทโธพุทโธแล้วดูเอาพุโทโธไปมันก็จะหยุดคิดถ้าเราใช้ปัญญาให้ยอมหยุดเย็นมันก็จะหยุดแต่จะใช้ปัญญามันต้องมีเหตุการณ์เช่นมีความเจ็บ อะไรขึ้นมาก่อนปัญญาใช้ปัญญาได้คือการจะเจริญปัญญามันต้องมีตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาต้องหาจริงๆถึงจเจริญปัญญาได้แต่ถ้าเราคิดคิดไปแค่ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นไตรลักนะอันนี้มันอะไรแบบนี้มันคือก็คิดเพื่อปล่อยวางมันถ้าเราไปยุกก่งกับมันเราอยากใชใ้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วทำให้เราไม่สบายใจ เราก็ใช้ปัญญาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้เช่นเปลี่ยนหน้าตาเราได้ไนหะบางคนอยากจะ<ช>เปลี่ยนหน้าตาเพราะเปลี่ยนไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหมย อ, อยากจะให้สวยอยากจะให้จมูกโด่งอยากจะให้มีตาสองชั้นอะไรนี้พอไม่เป็นมันก็ทุกข์นพอมองด้วยความมองความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้จะไปเปลี่ยนมันไม่ได้ก็ยอมยอมมันก็หยุดหยุดที่จะไปไปเปลี่ยนมัน มันจะเย็นก็ยืดจะอยู่กับหน้าตานี้ไปได้ไม่เดือดร้อนโยมก็เคยปวดเข่านะคะปวดปวดเข่ามากๆเลยค่ะเวลานั่งอ อ, อนนก็เหมือนกันก็อยากจะให้มันหายมันไม่หา ย, ยก็ทุกเนี่ยไหมค่ะทนี้เราลองยอมสิยาวให้มันปวดไปเมื่อทำอะไรไม่ได้แค่มันปวดไปอยู่กับมันไปค่ะพอโยมก็ยอมนะคะพะโยมยอมปุ๊บคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่า มันไม่มีความรู้สึกปวดอีกเลยพระที่จริงร่างกายมันอาจจะเจ็บก็ได้แต่ไม่ได้เอ้ยมันไม่ปวดใ จ, จาจไม่ปวดนะะไม่ทรมานค่ะวันนี้คำถามก็คงมีเท่านี้อ่ะเจ้าค่ะก็จะรอฟังคำํำอวยพรปีใหม่ของพระอาจารย์นะคะอคขอให้มีตอ น, นตอนท้ายก่อนนะพระอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะขอ <สา S 2> ให้ทุจ้าโอเคค่ะท่านต่อไปเอกคุณเอกจากเชียงราย เชิญการนมัสการพระอาจารย์ครับผมอาจารย์สบายดีนะครับเอสบายดีเดยรยเชิญพูดได้เลยครับผมตอนแรกก็มีคําถามอยู่ครับแต่พอดีญาติธรามก่อนหน้าท่านถามไปแล้วครับเกี่ยวกับเวทนาครับอาจารย์อ่าดีครับก็คงติดอยู่ที่เวทเวทนาครับอาจารย์ก็ต้องใช้สติตใช้ปัญญาสองอย่างยังได้อย่าง ครับผมครับผมก็เดี๋ยวผมน้อมเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ลองยอมหยุดเย็นดูนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่ายังไงครับอาจารย์ครับุณธรรมชาติถ้าจะไม่ได้เรื่องแล้วครับผมโอเคครับ่าจารย์ก้ผ้าให้ดูธรรมชาติจริงแต่เราเห็นแล้วเราเราปิดไปแล้ว อ uh, wow, okay. ่าว่าไงครับผมพระอาจารย์ก็น้องปฏิบัติตามพระอาจารย์แล้วก็วันนี้ก็ขอพอรปี่ใหม่จากพระอาจารย์ด้วยครับเ uh, ออพรมันจริงมันอยู่ที่ตัวเราคนอื่นให้เราไม่ได้หรอกครับผมต้ออัตตาเหียตโนนาโถะครับผมใช่ไหมครับผที่<ม>ให้นี้เป็นดาให้ความปรารถนาดีได้ไม่ได้ให้พรหรอกครับผมให้เป็นสุขนี่เป็นการปรารถนาดีอยากให้คนเราให้คุณมีความสุข แต่คนจะสูงไม่สูงนี่คนต้องเป็นคนทํามันขึ้นมาเองคผมใช่ไหมครับผมก็เป็นกาลังใจครับโอเคนะผมขอให้พระอาจารย์สุภาพสมบูรณ์แข็งแรงครับขอท้าสันพระอาจารย์แข็งแรงครับครับสาธุครับท่านต่อไปคุณกัฟฟี่จากสุราษฎร์ธานีมีอะไรไหมรับกัฟฟี่ครับครับนวัสการครับ ก็ก็ฟ <subjective subjective ethical environments> ังธรรมอาจารย์มานานแล้วครับก็ก็เกิดปัญญามากขึ้นนะครับเมื่อ <kinds> ก <of Gee Stupid> ี oh, okay. so okay, uh, ้มีปัญหาครับแต่ก็ได้พิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองของเราครับครับขอพระอาจารย์ทัดกันแข็งแรงครับผมโอเคสาธุคุณสลินทร์ตอนนี้อยู่กันลูกสาวแล้วเหรอเปิดไม้ก่อน การพัดจานเจ้าค่ะนวัตการมค่ะออยู่กับลูกค่ะค่อก็คนที่นี่เขาไม่ค่อยตื่นตระหนกเรื่องโควิดเลยค่ะทุกคนใช้ชีวิตกันเหมือนโลกเหมือนโลกโควิดไม่มีอยู่อแล้วเขาไม่มีการระบาดเหรอระบาดครับแต่จํานวนคนระบาดนี่ประมาณหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะคะแต่ก็ยังถือว่ามากกว่าที่เมืองไทยเยอะนะคะแต่คนที่นี่เขาใช้ชีวิตกัน กันไม่ปกติมากเลยค่ะพระจางยงเราันไม่ใส่หน้ากากไม่อะไรเลยไปไหนมาไหนได้ทุกที่ไม่เลยมีมีเหมือนกันค่ะพระจารย์แต่ว่าเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเขาเขาใส่อ่ะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ตลอดเวลาหรือว่าเท่าที่เห็นเท่าที่ยงเห็นเขาก็ไม่ได้ไม่ส t r i c เท่ากับที่เมืองไทยอะค่ะพระจายงเวลาโยงไปออกไปข้างนอกทานข้าวอะไรเงี้ยหรือก็ก็คือเป็นปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็ยัง เหมือนไม่มีลูกีค่ะพระอาจารย์ยมใส่ตะก่วยมรู้สึกแปแต่ก็แต่ก็อยมอยู่กับลูกสาวแล้วค่ะพระอาจารย์วันนี้ยมไม่มีอะไรค่ะพียงแต่จะมาเรียกลูกสาวมากราบพระอาจารย์นะคะมกี่ะลบล้วเอามาตะกั่วกราบพระอาจารย์ก่อนนั่งใช้มือกราบนั่งนัอรไหว้กอนไหว้กราบลมาสการพระอาจารย์ลูกสาวแล้วลูกชายเนี่ย ลูกสาวคะลวใช่ไว้ผมเหมือนผู้ชายเมั้ยผมเหมือนผู้ชายเปตัดเป็นธรรมว่าเปล่าเป็นธรรมว่าเปเป็นหรือเปล่าไม่ทราใช่ไหมเป็นหรือเปล่าอันนี้ยังคิดอยู่ค่ะอาจารย์ยังไม่รู้เลยยังคิดอยู่ค่ะเป็นไรถามเรื่อ่ๆนะอ่าอาจารย์อ่านแน้ะกลับมาสมัครสมุดคะมีความสุขบ้างๆนะสาธุค่ะท่า ขอบคุณท่านันนี้คนที่นิยามีอะไรจะถามไหมเรายอมอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกับอการปฏิบัติมันยากขึ้นอะค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่คนเดียวมันไม่ใช่ที่ของเรามันทุกอย่างเพอาศัยคนอื่นเขาแล้วยมรู้สึกว่าเวลาเราปฏิบัติเงี้ยเราใช้เวลานานมากกว่ามันจะว่าจะนั่งเราได้มันใช้เวลามากอะค่ะนานนานมาก สถานที่ก็มีส่วนหนึขาเรียกสับป่ายะเนะี่ยสถานที่สับป่ายะ<ส>มันกไม่สับป่ายะสับปายะแปลว่าสบายสถานที่ไหนสบายกับจิ ต, ตใจมันก็ง่ายใช่ค่ะยมก็เลยคิดว่าสงสัยคงต้องรอเรากลับไปที่ที่ของเราก่อนอลอแล้วเราถึงจะทำเท่าที่เราทําได้ไปเลยทำเท่าที่ได้ใช่ไหมเวลาที่เราอยู่คนเดียวอยู่ในห้องของเราคนเดียวเราก็ทําไปอ่า แต่มันก็ไม่ได้ผลกีเลกีเลมันจะหลอกเราเนี่ยไม่ทำจริงค่ะพระจะาโยมเวลาทําได้ก็ทําไปถึงแม้ว่าจะได้ผลน้อยกว่าที่บ้านก็ไม่เป็นไรดีวกว่าไม่ทํารักษาระดับการปฏิบัติไว้ให้มากที่สุดเพรอย่างเดี๋ยวกลับมาที่บ้านแล้วมันจะมาเริ่มมันจะมันเริ่มยากขึ้นเพราะเราหยุดไปไปนานนี้อ่าแม้ว่าถ้าเรายังคง รักษาการทําสมมติแต่จํานวนเวลาที่เราทําน้อยลงแล้วผลการปฏิบัติมันน้อยลงแล้วเราพอเรากลับไปถึงบ้านเราแล้วเราปฏิบัติเนี้ยมันจะมันจะกลับมาเป็นเร็วกเ็เดิมหรอคะพระอาจารย์หรือว่าก็ต้อง <essay> มันก็มันก็จะดีมกับไม่ปฏิบัติเลยะคือท่านจะปล่อยให้มันลงมาที่ศูนย์เนาะปล่อยให้มันอยู่ที่ห้าสิบเนี่ยแล้วเวลาจะกลับไปที่ร้อยมันก็จะง่ายกว่าจากศูนย์ไปไปร้อยจากห้าสิบไปร้อยมมันจะง่ายกว่าพระอาจารย์ หรือพยายามรักษา ร, ระดับ ก, การปฏิบัติเท่าที่เราจะรักษาได้อ่าโยมก็ยังปฏิบัติอวั น, วนยังแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันพอเวลาจะถึงเวลาเราปฏิบัติก็จะต้องมีคนนั้นคนนี้เข้ามากวนอย่างเนี้ยก็ยอมรับสภาพไปกวนก็กวนไปก็ไหวก็กวนไ ป, นนไปเดี๋ยวก็ไปก็พิจารณาว่าเป็นเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งอเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเวลามาก็ต้องผัดยอม ยอมหยุดเย็นไปยอมอยู่กับเขาไปอย่าไปต่ อ, อต้านอย่าไปอยากก็<อ>เดี๋ยวเขาก็ไปพอไปแล้วเราก็กลับมาทําของเราต่อได้ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์อย่าไปเสียอารมณ์พอมนเสียอารมณ์มันจะพานมันจะไม่อยากปฏิบัติเลยพ<อ>ยายามรักษาตสติไว้อยู่เรื่อยรักษาอารมณ์ให้ใจยอย่าไปมีอารมณ์กับใครกับอะไรต้องยอมรับว่าเขาเป็นอนัตตาเข้ามาแล้วก็ไป ห้ามเขไม่ได้สั่งเขไม่ได้ถ้าก็ยังไม่ไปต้องอยู่เขาก็อยู่เขาไปออันนี้ก็เป็นการฝึกสติฝึกปัญญาไปในตัวะฝึกผููเบกขาไปในตัวเอเฉยๆอยู่เมื่ต้องอยู่เขาก็อยู่ไปจะไปอยากอยู่เพื่อเดี๋ยวก็จะทุกข์ใช่ไหมใช่ค่ะพยายามฝึก ใช้สติใช้ป so, really right. so, so, um, ัญญาว่าตอนนี้สภาพความเป็นจริงเป็นยังไงก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยู่กับความอยากส่วนใหญ่ล้วถูกเราชอบไปอยู่กับความอยากอยู่ที่นี่ก็อยากจะไปนู่นพอไปนู่นก็อยากจะไปนั่นต่อมันก็หลอกเราไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีความสุขสักที่ที่ไหนก็มีความสุขแต่ถ้าเรายอมหยุดความอยากได้อยู่ความจริงเราก็จะมีความสุขได้กับทุกที่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ พระอาจารย์กับอันตรายจะอยู่นานไหมอยู่ถึงเมื่อไหร่บรรยากาศวันที่ยี่สบสามะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วโยมยังได้ค่ะพระอาจารย์อ่าโยมก็ปฏิบัติต่อที่นี่ค่ะเท่าที่ได้ค่ะใช่อย่าอย่าไปคิดถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันปฏิบัติในปัจจุบันนอนาคตไม่มีหรอกมันหลอกเราให้เราคิดเอง ตอนที่อยู่นั่นนี่ก็มากิกังวลที่นี่พอมาที่นี่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใช่ไหมจริงค่ะพระอาจารย์อจิตนั้นเราพอมาถึงจริงจริงแล้วเราก็เราก็ใช้ชีวิตของเราตามปกติเราก็มีสติใช้กับทุกวันไม่ว่าเราอยู่จะอยู่ที่ไหนกับใถ้าเราจะปรับกับการเป็นมีสติได้ปรับให้เข้ากับจริงค่ะพระอาจารย์ใช่นะค่ะ อขอให้พัดร่างาแข็งแรงโอเคใครต่ อ, อคุณยุนนะ y u นคุณยุนนนย่นครับคุณยุนไม่ห ย, ย, ยุ่หยุอยู่ที่ไหนเชิญพูดได้ดังนันิิวไมโครโฟนก่อนโ okay. อเคกลับมาราชการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ดีนได้ไหมะยินชัดเจนอยู่ที่ไหน หนูอยู่เอถนนอรัตนาธิเบศค่ะยืนนอนค่ะโอเคมีอะไรไหมมีเห็นอาจารย์อยู่แป๊บนึงเห็นไหมเราอยู่ข้างบนนะโอเคเห็นเห็นแล้วค่ะค่ะอาจารย์คะหนูมีคําถามมาค่ะเชิญถามได้เลยระยะหลังเนี้ยหนูรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าหนูจะคิดอะไรปุ๊บแล้วมันก็เหมือนกับ เรารู้แล้วแล้วมันก็หยุดไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนูใช้หนูทําแบบนี้ทูกต้องไหมคะเพราะเมื่อคิดอะไรแล้วหนูก็จะเมื่อเรามีติแล้วก็จะหยุดมันทันทีเมื่อเรามีสติแล้วก็จะหยุดความคิดได้ค่ะแล้วคืออย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกถูกแล้วถ้าเออแล้วหนูก็อพอทําไปพอเป็นอย่างนี้สักระยะหนึ่งเนี่ยหนูคิดเออแล้วมันจะละยังไงเนาะถ้าอาจารย์บอกให้ละละโลกกฎหลงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิด แต่แต่ก็ไม่รู้จะทำเอ่อแคเรื่กงอะไรอ่ะไม่รู้จะเวลาโลภก็หยุดโลภอย่าไปทำตามมันเวลาโกรธก็หยุดโกรธเนี่ยคำว่าละก็คืออย่าไปทำตามมันพอจิตมันจะโกรธล้วก็อย่าไปโกรธอ่าใช่วันนี้ค่ะวันหนูเอ่อหนูคือลูกเถียงอ่ะแล้วหนูก็รู้สึกโกรธแล้วจิตแล้วหนูก็เหมือนว่าเออในในหนูรู้หนูตัวรู้ตัวแล้วเองว่าเราโกรธล้ว ้เอเสร็จแล้วหนูก็บอกกับตัวเองว่าอย่ากโกรณนะเดี๋ยวแพ้กีเลสออ ย, อย่างนี้ใช่ไหมคะอันน<ช>ี้คือืละแล้วใช่ไหมคะใช่ละแล้ ว, ลวอพอเราไม่ไปสแสดงอาการลแล้วความโกรธท้ายไปก็สแสดงว่าเราละแนละ้วค่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนหนูจะเฉยเฉยอย่างเดียวใครจะพูดใดหรือใจยังไงหนูก็จะเฉยก็ได้ก็อย่างก็เหมือนกันมันคนละอยากกันกับแต่ก่อนนี้เลยอะค่ะอ๋อเป็นยังไงลนะยังไงดีกว่าล อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะอออ่ะมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกตัวแล้วก็เอ่อเราสามารถควบคุมได้อถูกไห ม, มคะควบคุมใจเ่าเฉยๆไนมะ่อย่าไปโกรธใครอย่าไปมีอะไรเรื่องมีราวกับใครอย่าไป อ, อยากได้อะไรจากใครค่ะมันมีอยู่วันหนึ่งหนูไปงานศพแล้วหนูมันแปลกมากเลยพระอาจารย์มันเหมือนเหมือนกับ เขาทดสอบหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้พระอาจารย์คือจิตหนูหนูรู้เลยว่าจิตเนี่ยมันเด้งออกไปหาไปหาคนนั้นน่ะแล้วแบบเหมือนกับเราต้องการอะโลภอ่ะจิตมันโลภอ่ะแต่แต่ตัวหนูว่ามันเหมือนมันมีจิตหนึ่งบอกว่าเอ๊ะแล้วทําไมจิตเราถึงวิ่งไปได้ได้เร็วกันขนาดนั้นอะจิตมันมันเป็นหนึงอะมันเกิดก็มันมีสองอสอง สองตัวค่ะค่ะอาจารย์ตัวรู้นะมันอ่ามันตัวรู้กับตัวเล่นตัวคิดเนี่ยอืมนั่นแหละตัวรู้ตรงนั้นน่ะหนูหนูคิดว่าหนูก็น่าจะเข้าใจถูกแต่ก็ยังไม่แน่ไม่มั่นใจก็เลยรอถามอาจารย์ก่อนอืมอันนี้คือตัวตัวดรู้กเอยตัวรู้ถ้ามีสติมันก็จะไม่ไปตามตัวคิดเนี่ยแต่ถ้าไม่มีตัวตัวไม่มีสติพอคิดอะไรตัวรู้ก็ตามไปด้วยแช่มันมันมันเร็วแบบปี๊ดมากเลยปอาจารย์เหมือนมันดึงดึงออกไปเลยอ่ะเออ ก็ยังงงกันการมันยากกว่าันใช่ใช่ใชดีตัวรู้อย่าไปตามตัวคิดกันแล้วกันอ่ะเออไม่ไม่ตามค่ะหนูก็ดึงกลับมาอแต่ตอนนั้นดึงกลับมาด้วยพูดโทอะได้แล้วมันก็หายไปเลยให้ตัวรู้รู้เฉยเฉยอย่าไปอย่าไปมีอะไรอย่าไปทําอะไรถ้าไม่จําเป็นต้องพูดต้องทำก็อย่าทําค่ะแต่ยัวันเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนจิตมันสอนอีกจีนึงว่าเราอย่าไปโกรธนะถ้าโกรธเราแพ้แน่แพ้กิเลส นั่นแหละคือปัญญานั่นแหละคือปัญญาอค่ะกิเลยพราะความโกรธมันจะทำให้เราทุกข์มันจะทำให้เราร้อนจะทำให้เราไปมีเรื่องมีราวกับคนอื่นเพราะเราหยุดโกรธล้วมันก็ไม่มีปัญหาตามมาอาจารย์คะแล้วมีอีกข้อหนึ่งเวทนานะคะทำเ้าเรียกอะไรหนูหนูผ่าน ผ่นเวทนาประมาณได้สามสี่ครั้งอะค่ะตอนนั่งสมาธิเออมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยพอผ่านแล้วเนี่ยืเวลาเวลาเราเรากลับมาดูร่างกายตัวเองอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมันไม่ได้คิดเองอ่ะมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยดีมากเลยอ่ะคือเหมือนกับว่ามันเราเจนาว่ากระดูกอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือมันมันมันบอกไม่ถูกอะพระจามันเหมือนกับว่ามัน มันไปตามกระแสธรรมใช่ไหมมันไปใช่ใช่ใช่มันเราเหมือนกับเราเราตะกอนเนี่ยเราต้องนั่งนึกนึกนึกนึกนึกปัญญามันเดินปัญญามันเริ่มเดินของมันเองปัญญามันเริ่มเดินของมันเองค่ะอันนี้ตึงอ่ามาใหม่ก็ต้องคอยเข็นมันก่อนต่อไปแล้วมันพอจิตสงบมันก็จะไหลของมันไปเองได้แล้วทําต้องต้องผ่านเวทนาต้องให้ได้ทุกครั้งไหมคะก็ควรจะได้ทุกครั้งเพราะว่า เพรว่ามันจะได้ทําให้เราไม่ทุกข์กับเวทนายต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่ยวยเราก็จะทนได้เราก็จะไม่เดือดร้อนอ๋อมันมีมันมีครั้งสุดท้ายเนี่ยพอมันเกิดเวทนาแล้วพอมันเจ็บแล้วเนี่ยพยายามหนูก็เออเรียกอะไรอ่ะพอพอมันเหมือนกับว่ามันพอทําไปเรื่อยแล้วมั น, น ม, มันมันทนไม่ไหวไม่ไม่ใช่ค่ะ มันทนไหวแต่เหมือนกับว่ามันเหมือนเกิดอาการชางเหมือนตอนที่นั่งแรกๆอะค่ะมันไม่เจ็บแต่แต่เรารู้จิตเรารู้ว่าเราว่ารู้ว่าร่างกายเนี้ยเจ็บอยู่แต่มัน ม, มันเหมือนกับไม่เจ็บถึงใจอะจ้ะเหมือนไม่ทรมาใชเราไม่ทาร า, าใช่าาใช่ค่ะใช <จ S 1> ่หนูพูดไม่<ช>ถู ก, ส, กสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆค่ะค่ะใช่ใช่อนั้นถูกต้องปฏิบัติเพื่อให้ใจสักแต่ว่ารู้ไม่ให้ไปทุกข์กับอะไร อือค่ะฝึกไปไเรื่อยกับทุกอย่างนะพอใจไปทับไปทุกไปหนักหงหนักใจก็ต้องสอนให้ใจถอนออกมาอย่าไปทุกข์กับมันค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ลูกเราก็อย่าไปทุกข์กับเขาอย่างนี้เป็นต้นเลี้ยงว่าไปแต่อย่าไปทุกข์กับเขาะย่าไปห่วงอย่าไปห่วงจนทําให้เราหนักหกหนักใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยอืมค่ะโอเคนะมีอะไรไหม ก็ไม่เออหนูเคยถามแล้วอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปสนใจแต่หนูมีความรู้สึกว่าเราจะได้ไประโยชน์จากตรงนี้ไหมคื อ, อคือหนูเวลาตอนนอนน่ะหนูจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองตลอดเลยพระอาจารย์ อ, อันนี้หนูก็ดูทุกวันน่ะฟังมันทุกวันแต่มันก็หลับไป แต่หนูอยากแบบว่าเอ้เราได้ยินตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะให้ทํายังไงให้มันเกิดประโยชน์อาจารย์เนะมีอะไรแนะนําหรือว่าไม่ต้องไปสนใจมันคะอ๋อมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าหัวใจแต้นแสดงว่าสติเราดีใจเราสงบมันก็มันเมื่อก่อนมันใจไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้มันก็จะไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นพอใจเราไม่คิดมันก็จะได้ยินเสียงของหัวใจเต้นอ๋อก็แสดงว่าสติเราดีใช่ไหมคะตอนนั้น สติเราดีใจเราสงบ ม, มากขึ้นจะเห็นลมได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นถ้ามีสติดีมีความสงบ อ, อ๋อใช่ใช่ใชหนูมีวันหนึ่งหนูตื่นนอนขึ้นมาหนูมีความรู้สึกว่าจิตหนูกะล่างอะ่ะมันแยกกันอย่างชัดเจนเพราะหนูเห็นกระดูกจากด้านหลังของหนูเองอะ่ะจิตเหมือนก็จริงจริงแล้วมันต้อง หนูเคยเห็นด้านหน้าของตัวเองแต่ตอนเนี้ยมันเห็นด้านหลังมันเหมือนกับมันเห็นตามอะค่ะเแบบนี้ก็จิตนี้จิตมันแยกกับกายไงจิตเป็นผู้ดูร่างกายเป็นเหมือนผู้ถูกดูค่ะอก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยให้รู้ว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละส่วนร่างกายเป็นอะไรจิตไม่ได้เป็นไปกับมันจิตเป็นผู้รู้ ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับจิตจิตก็ยังเป็นผู้รู้อยู่เหมือนเดิมจิตไม่ต้องไปเตืนเต้นตกใจให้ดูตามความเป็นจริงนะค่ะมีเราจะมีแนะนําเพิ่มหนูไหมคะก็ทำไปให้เล็กๆทให้มากขึ้นพยายามทําให้มากขึ้ น, นยายาหานวเวลาปฏิบัติให้มากขึ้นฝึกสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้ น, นช่วงนี้นั่งน้อย แต่ก่อนั่งเยอะก็พยายามไม่ไม่นั่งก็ใช้ปัญญาก็ได้ใช้คิดต่่รัอย่างหูก็จะพยายามบริกรรมพุทโธตลอดใช้พุทโธใช้เจรสติก็ได้โอเคนะเอาท่านนี้ก่อนน ะ, อะขอบคุณจ้ะอาจารย์คุณสุภัทราจากดัลลัสเชิญกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมามา ไม่วันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะมาเข้าฟังเคชเชอรเจ้าค่ะวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีสงกดีเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงหลังนี้ขี้เกียจไปหน่อยเพราะว่าสามีเขาหยุดหยุดเยอะค่ะเพราะเขาพักร้อนกันเลยดูดูหนังกันเยอะไปหน่อยอ่ะไม่ไม่ดีเลยช่วงนี้ช่วงฉลองปีใหม่เลยนะเจ้าค่ะรู้เลยค่ะพอดูหนังนี่ไม่ดีจริงๆเลยเจ้าค่ะไม่ดีมากๆเลยเจ้าค่ะฝัน ฝันสเปสป่าฝันเลิศเธอฝันโอ้แย่เจ้าค่ะเลยเลยต้องรีบกลับมาแบบมานั่งสมาธิมาฝึกสติรีปั่นใหญ่เลยเจ้าค่ะตอนนี้รู้สึกมันหลุดดูสมาธิดีก่านะดีดีกว่าดูหนังเลยดูความสงบดีกว่าเราต่างกันเยอะเลยเจ้าค่ะไปที่ทำต่อไปนะคุณขวัญว่าไงคุณขวัญมีอะไรไหมตอนนี้ยังทํางานอยู่ว่า อ่าพูดได้เลยเชิญพูดกลัราการเจ้าค่ะอ่พูดดังๆหน่อยเสียงมีมีไรไหมค่ะเรียบร้อยดีตอนนี้ก็ยังรักษาสีน8แปดทานมื้อเดียวอยู่อย่าต่อเนื่องนะเจ้าค่ะอ่แล้วยังทำงานอยู่ด้วยใช่ไหมยังทำงานเจ้าค่ะก็ทำงานก็ดีอย่างหนึ่งเจ้าค่ะเพราะว่าอ่อไม่ต้องใช้จ่ายเงินเพราะว่ามีอาหารให้ทาน ทุกวันโรงงแรก็บริการได้ใช่ค่ะก็ไม่ต้องใช้จ่ายเงินเลยก็ก็ดีค่ะก็ทุกวันนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ทํางานไปกับแค่นี้เจ้าค่ะแล้วก็ให้ทําทุกวันแเหรอเร่ว่วาทำเอ่อตอนนี้หยุดสองวันเจ้าค่ะ <S 2> 2 <S แล้วก็ 2> 2ตอนนี้คือวันเนี้เพิ่งมีเหตุการณ์ใหม่เข้ามาก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้หยุดยาวอีกเจ้าค่ ะ, ะเขาคงจะต้องเป็นตรว ง, งานเที่ยวข่าวนะ โรงแรมไม่ปิดเจ้าค่ะแต่ว่า<ไ>ห้องอาหารอะไรต่างๆบริการต่างๆก็จะปิดเจ้าค่ะอเปิดนะให้ให้อยู่พักได้อย่างเดียวใช่เจ้าค่ะโอเคโอเ ค, อเคมีคำถามอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะโอเคงั้นก็นั่งฟังต่อไปนะจะได้ให้ท่านอื่นได้ถามท่านต่อไปคุณตุย๋ย t ีอเชิญอ่านมิวไมโครโฟนก่อน อันมิวเป็นไหมที่น่าจะาจะบอกให้อันนิวโอเคท่านอาจารย์ น, นามส ก, กานค่ะคือหนูอยู่จังหวันดนนทบุรีค่ะนนทบุรี อ, อยู่ถนอนรัตนาทิเบตค่ะอะหนเอูเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วหนูไปหานอาจารย์วันชัยมาค่ะอ่อที่ภูสังโูนะค่ะและครั้ น, นี้หนูก็ไปปฏิบัติมาครั้ น, นี้หนูก็ได้ ดูกลับมาแล้วเนี่ยคือลมมันอยู่ในหัวหัวค่ะอืมแล้วก็มีคล้ายคลยคเข็มแทงอทั้งร่างกายเลยเวลาทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับก็เป็นเวทนาเป็นเวนา่เาเป็นเวทนาเป็นอานจ น, นรย์ทุกครัง้งแล้นับตาเแล้วมันท่านอาจารย์มันชัยบอกว่าไม่หายแล้วครั้นี้ท่านบอกว่าให้ไปดักกิเลสครั้นี้พอกลับมาบ้านเนี่ย หนูหนูไม่ก้าวหน้าเลยค่ะเดี๋ยวยังไม่ไม่ไม่กระเถิบไปอีกเลยทําไมไม่ก้าวหน้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้ารู้ปฏิบัติทุกวันเลยค่ะแต่ว่ามันก็ได้เท่าเดิมคือรู้ลมอย่างเดิมรู้ลมเราอาจจะปฏิบัติไม่มากพอมันก็เลยไม่ก้าวหน้าถ้าอยากจะปฏิบัติให้มันก้าวหน้าก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นคือหนูหนูทําทําทั้งวันกกับ การคืนหนูก็ทําค่ะ <S <S ใช่ทำทีเพราะว่าหนูอยู่ <ทำ S 2> บ้านค <ทำ S 2> นเดียวอะค่ะทีนี้มันทําแบบมีสติแล้วไม่มีสติตอนนี้จะเป็นตัววัดก้าหน้าหรือไม่เก้าหน้าอยู่ที่ตัวสติเนี่ย แ, แ, แล้วแล้วแล้วหนูจะหนูจะทํำยังไงต่อคะเวลาเวล า, วลา <S <S โทรฟุตโทรุตโธไปเรื่อยตั้งแต่ตื่นมาก็เริ่มฟุตโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดเบื่อยคิดเฉพาะเรื่องที่ยังเป็นย่าต้องคิดทั้นั้น ก็แล้วลมในกายของหนูเนี่ยมันจะมันจะที่ว่าจิตสงบเนี่ยลมในกายมันจะสงบด้วยใช่ไหยคะถ้ามันสงบจริงแล้วทุกอย่างมันจะหายไปหมดเองนะครับอ๋อเรื่องร่างกายทั้งร่างก็หายไปเลยดี๋ยวแต่จิตวนนวลสักแต่ว่ารู้แล้วที่เธอตื่นขึ้นมาปุ๊บหนูลมมันจะไปอยู่ที่ติดหนูจะไปอยู่ที่ลมทันทีเลยเออดูย<ห>ลมเข้าหรือลมออใชใ่ให้กลับมาที่พู้โธแทน แล้วยิ่งตอนนอนยิ่งแบบว่ามันไปทั้งทั้งทั้งตัวเลยอะค่ะแล้ว <Ừ. S 2> มีเข็มแทงอะค่ะอย่าให้มันไปให้มันให้มันกลับมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธส่วนร่างกายอยู่เป็นไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่เกะที่พุโทโธอย่างเดียวออใช่ไหมคะอ่าใช่ก่อนแต่เขาว่าพุโทโธอย่างเดียวแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นตอนที่เรายังไม่ถึงเวลาใช้ปัญญาตอนนี้ใช้ฝึกสติก่อนควบคุมจิตให้สงบให้ได้ก่อนแล้วถึงจะไปทางปัญญาต่อได้ ค่ะชาทูค่ะท่านไปอยู่มากี่วันนะหนูไปอยู่มาเก้าแปดแปดวันนะคะอแล้วก็ยังให้เข้าไปช่วยทำงานในในโรงครัวกันเยอะปะช่วยค่ะช่วยทําอาหารนะคนละหนึ่งเอ่เอหนึ่งเมนูค่ะอะแล้วก็ท่านอาจารย์วนชายก็เอ่อบอกตอนที่หนูเห็นเลือดเห็นเลือดเห็นกระแสเลือดตัวเองอะคะ่ะท่านอาจารย์วนชายก็บอกถามหนูว่าเห็นกี่ครั้ง หนูก็บอกเห็นหลายครั้งเห็นกับทุกวันเลยท่านก็บอกว่านั่นเขาเรียกว่านิมิตแต่ครั้งนี้หนูก็ไม่ได้ถามท่านต่อว่าแล้วถ้ามีนิมิตแล้วเนี่ยหนูจะเอานิมิตมาใช้ประโยชน์กับการภาวนาได้ไหมก็ได้เพราะว่าสอนว่าในร่างกายเรามันมีนอกจากเลือดแล้วยังมีอาการอย่างอื่นด้วยมีน้ําเลือดน้ําหนองน้ําดีน้ําเสลยขยายมันออกไปค่ะแล้วก็ให้มันเห็นอาการ32ของร่างกาย อันนี้คือหนึ่งส่วนของการของร่างเห็นเห็นในร่างกายใช่ไหมคะใช่เห็เลือดส่วนเดียวแล้วก็ต้องไปเห็นน้าเลือดน้ําเหลืองน้ําดีน้ำทะเลอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเองใช่ไหมคะนราต้องสอนมันต้องสอนมันต้องสอนให้มันมองมันถึงจะเห็นอ๋อต้องไปไปคิดถึงตรงไปมองภาพอ่คิดถึงน้าน้ําเะเลน้ําน้ําน้ําลายน้ำโมกอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย อย่างอีกเขาเรียกว่าพิจารณาอสุภะหรือเปล่าคะใช่พิจารณาอาการ32แต่ว่าอาสุภะก็ได้พิจารณาว่าเป็นอนัตตาก็ได้ร่างกายนี่มันไม่มีตัวตนแบบมันมนะีแค่อาการ32มีเท่านะแล้วท่านอาจารย์คะแล้วก็หนูหลักตาเนี่ยหนูมองมองทะลุหนังตาออกมาเห็นเห็นโครงมุ้งแล้วก็เห็นหลังคาเห็นดาวเห็นอะไรได้เนี่ยเขาเออมันคือปฏิภาสที่เรียกว่าปฏิภาสนิ้มีหรือเปล่าคะท่าน คือมันเห็นนี่ยมันเห็นด้วยจิตใช่ไหมจิตค่ะจิตมันก็เห็นอะไรได้ต่างๆนานาไอ้ที่แทบเป็นปฏิภาคนี่ยหมายถึงเวลาเราเห็นกระดูกเห็นอะไรเนี่ยเราแล้วเราทําให้มันสลายกลับกลายเป็นดินเนี่ยทีนี้เรียกว่าเป็นปฏิภาคกระดูกค่ะแล้วที่แสงสว่างที่หนูเห็นกับทุกวันเนี่ยมันเป็นแสงก็เป็นแสงสากแต่ว่าเรียกว่าเป็นแสงเนั้นเอง อ๋อจะไม่ต้องไม่สนใจที่ว่าห<ร>ลงนิ<ร>มิตนี่คืออะไ ร, ะรก็หลงไม่สนใจมันเราไปเล่นกับมันแล้วไปไปไปชอบมันไปอะไรมันแล้วเวลานั่งก็อยากจะเห็นมันอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่าหลงนิมิตต้องกลับมาที่พุทโธใหม่ใช่ไหมครับใช่กลับมาที่พุทโธเราวต้องการความว่างต้องการความสงบ ต้องอิ่ววันหนึ่งที่หนูพุโทโธพุโทโธกลางวันที่หนูพ่าตัดหลังที่ใส่กระดูเอ้ใส่เหล็กที่หลังนะคะหนูก็เลยใช้วิธีการนอนภาวนาเอาเพราะปวดหลังแเสก็จแล้วห น, หนูก็ตัดมีความคิดเกิดหนูก็ตัดไปที่พุทโธพอมีความคิดเกิดหนูก็ตัดตัดตัดตัดไปเรื่อยๆปรากฏว่าหนูก็เห็นมีคนมาเคาะประตูบ้านนะคะหนูก็เปิดประตูบ้านออกไปมีผู้หญิงเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยแล้วก็ มีคนเนื้อที่เขาใส่สายยางที่จมูกอ่ะหนูก็เลยไม่ทราบว่าอันนี้คือวิญญาณที่เข้ามาขอส่วนบุญหรือเปล่าจ้าค่ะก็ไม่รู้แหละถ้าไม่ถามเขาก็ไม่รู้ต้องถามไมาเองครับเขาบอกว่าเขาจะมาเอาของอ่ะค่ะแต่เขามากันเต็มเลยถามว่าเขาจะดาอะไรนะเาบอกว่าเขาจะขอเข้าบ้านเขาจะขาเขาปล่อยเขาเข้ามาให้เข้ามาได้ใช่ไหมคะได้ได้เขากจะเข้ามาปล่อยเขาเข้ามาเอามาก็เต็มหมดเลยค่ะเออ แต่มันเข้ามาในบ้านเรามันเข้ามาในใจเรานะั่นแหะแล้วมันจะสิงเราหรือเปล่าคะไม่หรอกวันเรามีสติพุโทโธมันก็หายไปแล้วถ้าเราไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาแล้วก็ดึงใจกลับมาที่พุโทโธพุโทโธแล้วเดี๋ยวเขาก็หายไปทางหนูก็กลัวหนูก็เริ่มรู้สึกเอ๊อะของขัญไม่ใช่คนแน่มันก็เเริ่มพุโทโธพุโทโธไปได้แล้ว อ่าหนูก็เลยม า, ม า, มากลับมาที่พุโทโธใหม่แล้วหลังจากนี้ต่อไปก็คือการติดกับพุโทโธไว้ใช่ไหมคะติดกับพุโทโธไวอย่าไปตามอย่าไปเห็นพอเห็นอะไรแล้วหนึ่งกลับมาที่พุโทโธทันทแีแต่จะไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราใช่ไหมไม่เป็นะถ้าเป็นก็เป็นไปนานแล้วแล้วก็จะทําเราก็ทําไปแล้วคราวที่แล้วก็ก็ทำเราได้แล้วอ๋ค่ะเราเร า, เราจะทําตัวเราเองทําให้ตัวเราเป็นบ้าถ้าเราไม่มีสติก็ใช่ไหม อต้องพยายามมีสตินึงกลับมาที่พุทโธพุทโธแล้วอย่าไปตามรู้ตามคิดตัมเรื่องราวต่างๆมันจะทําให้เราฟารุ้งซ่านกลายเป็นคนบ้าได้เออพระอาจารย์คะพี่สาวหนูฆ่าตัวตายอ่ะค่ะหนูอยากจะส่งบุญให้เขาเ<ก>พราะว่าใส่บาปเสร็จใส่บาปถวายสังฆทานทําบุญ อ, อ่าอะไรก็ได้เดี๋ยวภรวานาแล้วเสร็จเดีวภาวนาแลไม่ได้ภาวานาเรายังไม่ได้ผลไม่ม<อ>ีผล อ๋อค่ะภาวนาอย่างเดียวยังไม่ได้ใช่ไหมคะคือยังไม่เกิดผลไงเรายังไม่ได้ความสงบยังไม่ได้ผลยังไม่ได้บุญจากการภาวนาแล้วเราเราจะรู้ตัวไหมคะวลาเราสงบแล้ว อ, อ๋อรู้รู้เวลาจิตสงบมันจะรู้มันเป็นเหมือนกับออยู่อีกโลกหนึ่งเลยมันได้พบกับสิ่งที่แปลกประหลาดมาสะท้านใจ เลยปิติไปแล้วใช่ไหมคะเออมนเลยทุกอย่างไปแล้วเหลือแต่ความว่างแต่อุเบกขาแล้วปิติจะไม่เกิดแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นไม่มีอะไรเกิดหายหหมดนะอ๋อตอนนี้หนูยังมีปิติอยู่เอยังมีน้ําตาไหลคนลุกอทุกเวกเออสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ก็ยังน้ําตาก็ซึมซึมออกมาถ้าอยากจะไปทิ้งบุญก็ใส่บาทรทำบุญนะทำบุญไปแล้วถึงเขาใช่ไหมคะแต่หนักคนฆ่าตัวตาย ครับถ้าถ้าเขาเขารอรับก็ถึงถ้าเขาไม่รอรับก็ไม่ถึงแถ้าเขาไปอยู่ในนรกก็ออกมารับไม่ได้บุ<อ>คคล ต, ตายนี่ส่วนใหญ่จะไปนรกก่อนนะค่อืมแล้วออกจากนรกมาแล้วถึงจะมาเป็นขอทานมาเป็นเปรตมารอรับบุญอีกทีแล้วนะหนูจะช่วยเขาได้ยังไงครัก็ช่วยไม่ได้เลยก็ต้องปลงว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปสัตว์ตั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน อทำกรรมไว้มันก็ต้องไปรับผลของกรรมที่เขาทาไว้ค่ะแล้วแต่พอสงบเมื่อไหร่ลมในกายก็จะสงบพร้อมกับว่าปัญญามาก็จะเกิดแล้วตอนนั้นน่ะอสุภะมันก็จะแพร่คลึกขึ้นมาใช่ไหมคะท่านก็ไม่แน่เสมอไปบางทีมันก็เกิดปัญญาบางทีก็ไม่เกิดก็ได้แต่ที่แน่นอนก็คือความสงบความนิ่งความสงบ น, นิ่งความสงบเอ อ, อย่างอื่นยังเกิดไม่ไม่เกิดไม่ไม่เป็นปัญหาอะไร ไม่สำคัญขอให้เามันให้เกิดความนิ่งเกิดความสงบไว้ก็แล้วกันแล้วปฏิบัติมากๆทั้งทั้งเช้าไปไปจน จ, น จ, น จ, นจนอาหารที่เมื่อกี้ฟังสนทนาทรเมื่อกี้ที่มีน้องคนณนึ่งถามบอกว่าการทานอาหารมื้อเดียวจะช่วยทำให้จิตแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเออนมันจะมีกำลังมากขึ้นกำลังที่จะสู้กับกิเลสมากขึ้น ท่านอาจารย์นันใจบอกว่าให้มาดับกิเลสเราก็ยังไม่ เ, เข้าใจว่ามาดับกิเลสตรงไหนก็อย่าไปทําตามกิเลสไงเวลาโลภ ก, ก็อย่าไปโลภตามมันเวลามันโกรธก็อย่าไปโกรธตามมันอ๋อค่ะท่านสาธุธรรมค่ะโอเคอท่านต่อไปเดี๋ยวคุณสัปปนาอยากจะถามอะไรไหมไม่ อ, อยากจะฟังเฉยๆการรัชกาณ์รัชกาญจนารย์ษกค่ะเพิ่นปีนี้ไม่ได้ลงไป ใส่บาตหรือพาเด็กมาฝากพระอาจารย์เาค่ะได้ค่ะได้ค่ะให้มีความสุขมากๆนะให้เป็นเด็กดีนะไม่มีถามอะไรนะมีไมไม่มีหอเจ้าคโอเห็นไปที่คุนนิ้งกาญจนากาญจนาสุโขทัยอ่าเปิดไมโครโฟนก่อนอันนี้ พูดใกล้ๆหน่อยเสียงไม่ค่อยดังได้ยินไหมคะอ่าได้ยินแล้วขอได้ยินแล้วนะคะก็ะไม่ค่อยีอะไรค่ะสําหรับอาทิตย์นี้พอดีอ่าหนูแบบว่าเล่นความเพียนไปนิดนึงค่ะเลยสวยสวยสญญาอากาศเย็นค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยลดความเพียนลงมานิดนึงค่ะก็ได้ปรับได้ปรับมากปรับน้อยได้แล้วแต่สภาพเนี่ย เรื่อยๆแล้วกแ็แต่ก็ยังทำเรื่อยๆนะคะภาว น, นานต่อก<อ>็ดีพยายามฝึกสติฝึกสมาธิไปน ะ, ะนี่ไม่มีอะไราาค่ะอาจารย์มารออรู้อาจารย์นะคะโอเคสาวเจ้าดค่ะิไปที่ท่านต่อไปเลยนะคุณไอโฟนไอโฟนอาจายอยู่ที่ไหนคุณไอโฟนวันนี้อยู่อุ่บนค่ะบนนะค่ะพอดีกลับบ้านเกิดค่ะ ธรรมดาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชียนอยู่ใช่ค่ะอยู่บอวินค่ะพระอาจารย์ค่ะพอดีกลับมาบ้านก็เล่าเรื่องราวของพระอาจารย์ให้แม่ฟังค่ะวันนี้มีคำถามค่ะถ้าสมมติอันนี้คือสงสัยนะคะถ้าเราไปบวชชีพามแล้วไม่ได้เอาเงินไปมันจะมีวิธีการทำทานยังไงบ้างค่ะช่วยลังชามล้างซุวมทำประโยชน์ให้กับวัดก็ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีเงินก็ไม่เป็นค่ะค่ะทำงานให้กับวัดไปทํำประโยชน์ค่ะก็ก็คือสละเสียสละร่างกายแรงร่างกายไปเราไม่มีเงินเราก็ใช้แรงกายค่ะาะทําวัดถ้าไม่มีคนทําความสะอาดบางทีก็ต้องจ้างคนมาทําแล้วก็เราต้องเสียเงิน ก็เหมือนกันเราบริจาคเงินให้เข้าไปจ้างคนมาแล้วก็จ้างตัวเรามาเองมาทำงานให้กับวัดไปค่ะค่ะได้ไปถีอวัดถือว่าถ้าเรายากจนไม่มีเงินจะถวายเรวก็ทํางานให้กับวัดเห็นอะไรสกปรกก็ช่วยทําให้มันสะอาดไปฝักถูที่พักที่ว่าศสยเห็นกระจกมันสกปรกเข้าไปช่วยเช็ดอะไรอย่างเงี้ยทำก็ถือว่าได้ใช้นี่สมไปค่ะ ได้ทำบุญค่ะโอเคค่ะข่ะขอพระคุณค่ะพรอาจารย์มีท่านนี้นะค่ะท่านต่อไปคุณออดี้อาฮาจากนาเกล้วพัทยาตอนนี้นาเกลอถูกปิดหรือยังสปิดแล้วใช่ไหมกลับมาจัการค่ะพรอาจารย์ปิดแล้วค่ะนูดูอยู่ในโซนล็อกดาวน์ ไปไหไม่ได้แล้วเนาะจะพาะไปซื้อของกินอย่างเดียวะ่ะคือของได้ค่ะเขายังให้เดินทางได้แต่ว่าไม่จําเป็นก็ไม่อยากออกไปไหนอ่ะค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างจะเสี่ยงเกินไปนะรู้สึกได้เลยเลยเไม่อยากออกไปพบปากกับผู้คนเท่าไหร่ค่ะ อ, อดีเดก็บตัวไว้ก่อนออค่ะพระอาจารย์จะถามนิดนึงค่ะอย่างเมื่อวานพระเมื่อวานที่เมื่อวานอะเมื่อวานที่ยีกาเมื่อวานนี้นะคะที่หนูไป ไปใส่บาดพระอาจารย์มาค่ะแล้วก็ขึ้นไปบนดบทุกที่หนูนั่งสมาธิข้างบนเน่ะได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรรบกวนมากอ่อย่างถ้าคนมาขึ้นมาบนบนดบก็มีเสียงแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจตรงเสียงตรงที่ว่าคนมาอะไรเนี่ยก็นั่งสมาธิได้แต่เมื่อวานเจอยุงหักพระอาจารย์ยุงกับแมงวีอ่ะค่ะออตอนแรกก็นั่งแบบว่าเออมันจะมาบินก็ให้มันบินไปไม่เป็นไร เราก็จะนั่งของเราไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็บอกไปอย่างเงี้ยก็นั่งไปไม่สนใจแต่มันเหมือนยุงมันแกล้งไงมันยิ่งเข้ามาใกล้ใหญ่เลยพระอาจารย์อยากจะถามว่าอย่างพระสายพระทางสายป่าอเงี้ยค่ะที่ว่าเวลาว่าไปนั่งในไปนั่งสมาธิในป่าอะไรเงี้ยถ้าเจอมาลงมาแมลงท่านแก้ไขกันยังไงอะคะถ้าท่านมีสมาธิดีท่านก็ปล่อยให้มันกัดไปนะกัดเดียวเดียวมันก็ไปแล้ว ถ้ามันจะาบินมาวีอะไรก็ปล่อยมันเลยอย่าเราพูดตรงเลยคะแล้วก็พูดโธพูดโธเราไปอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็ไปนั่นแหละจนเป็นครึ่งชั่วโมงะอาจารย์มันไม่ไปจนหนูต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ให้มันอยู่ไปก็หัดอยู่กับมันไปมันทุกขเวทนาก็อยู่กับมันไป อ๋อคือถ้าคราวหน้าไปแล้วนั่งแล้วเจ อ, อมีเสียงยุงอย่างนี้ก็คือไม่ต้องลุกให้อยู่สู้กับมันไปเรื่อยๆอย่างนเป็นการทดสอบสติของเราว่ า, วามีกําลังดีไหมถ้าสติดีแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่รู้ไม่ชี้ไปกับมันค่ะได้ค่ะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวจะได้ลองใหม่คราวนี้กําลังสติไม่พอทําไปสิงรอบแล้วโดนยุงรังแกเลยลุกเลยไม่ไหวแล้วแบบอย่าปรยัดอย่าปรยากให้มันหายอย่าประยัดให้มันไป ยิ่งอากก็ยิ่งทุกใหญ่พอเราไม่อยากมันมันดีไม่ดีกับชอบมันอะก็มีคนมาร้องเพลงให้เราฟังนะได้ค่ะได้ค่ะแต่เดี๋ยวหนูก็ไปวัดอีกค่ะคะ่ะนั่นแหะ ค, ค่ะไปได้ค่ะการน้ำพระทุกรพรนนะทุกพรนะห น, น, นะนุ่มตั้งใจไปให้ได้ทุกพระค่ะอาจารย์คือถ้าไม่ขาดได้ก็จะดีที่สุดแต่ถ้าวันอื่นสามารถไปได้ก็จะไปอีกค่ะโดยหมายถึงว่าไม่ได้ไปฟังทำพระอาจารย์อะไรนะไปไปวัดจริงอะ ไปปฏิบัติของเราไปไปนั่งสมาธิใช่ค่ะใช่ค่ะเดีกค่ะนัมัสการค่ะวันนี้ไม่มีคำถามแล้วค่ะพระอาจารย์ข <Okay. S 2> อบ ค, คุณค่ะคุณใบหยกภู ผ, ผาลูกไม้อันนี้อยู่ในรถกันเหรอไปไหนกันเนี่ยเปิดเสียงหน่อยที่ยังไม่ได้เปิดเสียงอันวิวไมโครโฟนก่อนอยู่ข้างหน้ามีปุ่มอันวิวไมโครโฟนนมัสการค่ะพระอาจารย์ ไปไหนกันนะไปที่วัดพระอาจารย์สาธีไม่ใช่โยมไปนี่มาค่ะพระอาจารย์และโยมกำลังเดินทางกลับไปวัดป่าเวลุวันของหลวงพ่อหลวงพ่อสมศรีค่ะโยมไปร่วมรำโยมไปร่วมหล่ออยู่จังหวัดเลยใช่โย่เลยใช่ไหมใช่ค่ะโยมไปร่วมหล่อกานหล่อทองยอดอัจดีย์กับ พระทองคําค่ะอ่สาธุจ้ะสาธุค่ะค่ะสาแล้วนี้อนี้กําลังจะขับค่ะแล้วยมก็เลยดูเวลาแล้วเกือบมาไม่ทันเลยอ่สัญญาณดีสัญญาณดีอยู่นะขนาดรถกาลังวิ่งอยู่ด้วยตอนนี้ใช่ค่ะอ๋อดีมากอนนี้อยู่แถวอยู่ช่วงไหนแล้วอยู่แถวชัยภูมิค่ะชัยภูมิยมว่าจะแวะไปที่วัด พระอาจารย์สาธิตค่ ะ, ะ เ, เพราะว่าพรุ่งนี้นัดกับพระอาจารย์สาธิตว่าจ ะ, ะขอสวดมนต์กับพระอาจารย์สาธิตค่ะสวดก้างปีเลยค่ ะ, ะสวดเองไม่ได้ทำไมต้องไปสวดกับพระด้วยสวดสวดเองสวดเองได้แต่แตงจันหลับค่ะเพราะวันดึกแล้วเดี๋ยวจะหลับใช่ค่ะอ แต่มีพระปางหน่งนวยมถ้ามีพระพคอยดึง ไ, ไว้ะไ น, ไนะแจ้งสาข อ, ขออนุญาสตสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์นะคะเออสาธุจ้ะสาธุโยมเอาขออนุญาตกรบไวพรพระอาจารย์ให้สุขภาพแข็งแรงเป็นเป็นร่มโพล่ลมใสให้กับโยมและลูกศิษย์ ไปนานๆเลยนะคะพระอาจารย์อายุมากกวาา่วาร2 0ยี่สิบปีค่ะสาธุสาธุขอขอบคุณค่ะพระอาจารย์ยมไม่มีอะไรคะ่ะยมตั้งใจมากราบสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ค่ะแล้วนี่ยังขับรถตั้งคืนเลยแล้วจะไปภาคที่ไหนกันบ้างเนี้ยจอีกอีกสิบสามนาทีก็ถึงวัดป่าหลวกพ่ชัย ม, มงคลแล้วคะ่ะโอเคเค่ะเดี๋ยวพักผ่อนหลับนอนกันนะ ค่ะขอบพระคุณค่ะป <Okay. S 2> ล, ะ ล, ะ ล, ะละอดภัย น, นะแคลคันปลอดภัยนะอย่าประมาทตั้งหลับอยู่ด้านหลังค่ะก็เลยไม่ได้มาสวัสดีปีใหม่มมก็ขออนยัดเป็นตัวแทนนะคะอออขอบพระคุณค่ะกลบนมสค่ะกลัาาบ น, น ม, บนนมสกการค่ะอาจารย์รำถามหมดแล้วมีที่มีคุณแล้าาว คุณวิลาศินีครับคุณวิลาสินียกมือครับยังจะถามอีกเหรอครับยกมือท่านพระอาจารย์ได้ยินไหมคะไม่ยินไม่ยินท่านพระอาจารย์คะยมยมห้องนึกขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวเดือนมกราค่ะยมต้องทํางานปกติยมทํางานพัฒน์ไทยมาค่ะแต่มกรานี้ยยมจะต้องทํางานเยอะขึ้นนะคะยมคงไม่มีเวลาหรือโอกาสได้มาถามอย่างนี้อีกแล้วยมขออ่ายมคือยมเป็นคนตั้งคําถามแบบเหมือนกับ เอาจาัด ก, การปฏิบัติมาถามอะคะ่ะมันเลยไม่ค่อยเป็นระบบอะคะ่ะเรายอมอ่านหนังสือน้อยมากยมอยากให้ท่านสรุปว่ายมควรจะทํายังไงเพราะว่าท่านบอกว่าเราควรโยมไม่ได้พนมมือนะคะพือยมจับสายชาร์จโทรศัพท์ อ, อยู่ค่ะ ม, มันจะหลุดค่ะเป็น ร, นรอราต้องนั่งสมาธิเพื่อให้จิตมันสงบใช่ไหมคะออแล้วพอจิตมันสงบเอ แล้วเราค่อยไปพิจารณาปัญญาต่อทีนี้ยมคิดว่าจิตยมสงบแล้วล้วค่ะแล้วยมจะถามท่านว่าไอ้ตัวที่เวลา ย, ยมประคองค่ะแล้วท่านบอกว่ามันคือพลังจิตนะคะเราเอาไปทําอะไรหรอคะตรงนี้ค่ะหรือว่ายมควรจะทํายังไงต่อไปคะเพราะว่าเดี๋ยวยมอาจจะไม่ได้เข้ามาอีกแล้วค่ะอะก็ก็อยู่กับมันไปมันมั น, ม, นมันอยู่ก็มันดีก็อยู่กับมันไปให้รู้ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเอง มันใช้ประโยชน์อะไรในทางภาวนาไม่ได้ใช่ไหมคะก็มันมันทําให้ใจเรานิ่งเขาเปล่าค่ะถ้ามันทำให้ใจเรานิ่งหรือว่าอะไรที่ทําให้ใจเรานิ่งเราก็ใช้อันนั้นถ้าพุทโธทําให้ใจเรานิ่งเราก็ใช้พุทโธไปอะไรที่มันปรากฏขึ้นมามันอาจจะเป็นผลที่เกิดจากความนิ่งของจิตก็ได้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลกับมันถ้าเรา ถ้าเราไม่รู้จะใช้ประโยชน์ยัยงไงกับมันก็ไม่ต้องไปไม่ไมต้องไปยุ่งกับมันคะ่ะแล้วเวลาที่จิตยมสงบใช่ไหมคะเท่าที่ฟังจากคําถามมานะคะการพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะพิจารณาร<ม>่างกายัตอนที่ไม่สงบตอนที่ออกจากความสงบตอนที่ตอนที่สงบนี่จิตไม่ไม่คิดอะไรไคะพิจารณาไม่ได้จะจะคิดก็ต้องเราให้จิตออกจากความสงบเริ่มคิดเรื่มนู้เรื่องนี้แล้วก็เดินมาคิดทางปัญญาแทน ค่ะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วอคําถามอีกอันหนึ่งก็คือที่ยมรู้สึกตัวตรงนี้ตลอดเวลาค่ะตั้งแต่ยมเนี่ยค่ะสองสาวันนี้ผ่านมาเป็นสติยังไม่ใช่ตัวจิตใช่ไหมคะตรงนั้นนะคะคือเป็นการตัวหนึ่งเป็นที่มัดจิตไว้ไม่ให้ลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นค่ะยมรู้สึกว่า ตรงนี้ค่ะมันขยายได้ค่ะเพราะว่าจากที่เคยรู้สึกแค่ตรงนี้แล้วหอยมนั่งได้สองชั่วโมงแล้วก็ทั้งคืนทําต่อใช่ไหมคะออมันขยายมาเต็มเต็มเต็มข้างวนนี้เลยค่ะก็ได้มันจะขยายทำไม่ขยายก็เรื่องของมันไม่ต้องไปถอนใจค่ะสรุปแล้วก็คือหยม์น<อ>ั่งความสงบต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเวลามีปัญหาก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ใหปล่อยวางยอมหยุดเย็นเนี่สามตัวนี้ อยาามรับสภาพตานที่อยู่ที่ไหนต้องทําอะไรก็ยทยายําไปอย่าเป็นอย่าไปอยากค่ะอยู่กับความจริงเอย่าไปอยู่กับความอยากเข้าใจไหมค่ะแล้วระหว่างวันนะคะท่านอท่านแนะนํานะคะให้โยมเอาสติไว้ตรงนี้แล้วก็ไว้ที่ไหนก็ได้ที่ทําที่ทําให้เรามีสติแล้วที่ไหนสะดวกแล้วก็ไว้ที่ตรงนั้นแล้วก็รู้สิ่งที่มากระทบแล้วก็ปล่อยมันไปใช่ไหมคะ่ะ อ, อย่าไปมีความร้อนโกรธหลงกับมันให้รักษาแต่ว่าลุกไป เอาแค่นี้ก่อนค่ะแล้วโยมอาจจะหายหน้าหายตาไปนะคะเพราะว่ายังไม่รู้นโยบายเขาไม่แน่หรอกเนี๋ยบางทีเวลาว่างก็พูดเข้ามาเองอะค่ะจะพยายามค่ะท่านเไม่เป็นไรเขาบอกว่าโฮมออฟฟิศที่นี่ไม่มีข้าวผูกมัดอะไรหายไปแล้วอยากจะกลับมาเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้ วดี่ไม่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะเข้าอยากเข้าค่ะแต่ต้องไปทํางานอะไรย่าเงี้ยค่ะแต่ว่ากลับมาไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่เป็นไรเราเราเราเข้าใจนะชีวิตคารามันก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องแต่ถ้ามีปัญหาโยมพงต้องจัดสรรเวลาเข้ามาแน่ๆค่ะือต้องโผล่เข้ามาค่ะไปตอบไม่ได้ต้องกลับมาหาท่านค่ะอ๋อช่วงนี้มันช่วงกิ่โมงว่าเนี่ยที่ที่เยอวมันตอนนี้เหรอคะช่วงนี้จะสี่โมงเย็นค่ะอ๋อกำลังทำอะไรช่วงนี้มันวันหยุดเขาให้ค่ะ ทำงานก็ยางถ้ามันทํางานก็ยังต้องทํางานอยู่นะใช่ค่ะยังไม่กลับมาค่ะแต่อาจจะแวบเข้ามาสักหานาทีสินาทีก็ได้ถ้าอยากจะเข้าอย่างนั้นอนาคตได้ค่ะแต่เข้ามาไม่รู้จะได้ถามไหมนะคะเพราะว่าคําถามท่านเยอะมากเลยก็ก็รอเข้ามาตอนปลายๆเลยเข้ามาตอนรีบตุนไว้ก่ถ้าไม่เข้ามาต้นก็เข้ามาปลายถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องรอคิวะ ใค่ะถ้า h โฮมออฟฟิศสบายยมรีบเข้าแต่ตั้งแต่ต้นเลยถามคนแรกเสร็จก่อนโ okay. อเคก็ไม่เลยลองดูเข้ามาดูต้องดูคิวดูว่าเราอยู่ตรงไหนถ้ามันไกลแล้วก็ออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับาามาใหม่ค่ะค่ะกลับขอบพระคุณแอดมินนะคะขอบคุณมากเลยไม่งั้นอทางนี้ก็ไม่รู้จะถามใครเหมือนกันขอบคุณได้บุญมากเลยขบัขบคุณค่ะดูย้อนหลังก็ได้นะถ้าไม่ได้เข้ามาก็ดูย้อนหลังได้เก็บไว้ในเ facebook อยู่ทุกทุกครั้งที่ที่เรา ถ่ายทอดสดเสร็จก็ยังเก็บไว้อยู่เริ่มงานกับบ้านตอนเย็นก็ว่างก็เปิดดูได้แต่ทำไม่ได้ตลอดเวลาท่านอาจารย์ทำกับข้าวอะไรก็เปิดทำฟังทำตลอดค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอรับพรเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีคำถามจากทางบ้านแล้วมั้งใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมทางทางซูมนี่หมดแล้วนะมีใครมีอ่ามีมีก๊อะว่ามันมีอะไร เมื่อกี้มีปัญหาครับก็เลยใช้ปัญญาพิจารณาครับพอพิจารณาได้ก็เข้าสมาธิไปครับก็มีความสุขครับพอมีความสุขเสร็จที่นี้ยครับการมาราคะโผ่ครับก็พยายามคิดถึงใช้ปัญญาครับมาไปไปดับอะครับอย่างอย่างนี้ถูกต้องแบบถูกต้อง ถ, ถ้าเกิดกิเลสขึ้นมาเราต้องใช้ธรรมะใช้อสุภะถ้าเกิดการมาราคะก็ต้องใช้อสุภะ หรใช้สติพุทธโธพุโทโธอย่าไปคิดถึงอารมณ์ที่ทำให้เราเกิดการมาลาค้างไปมาโรเคครับตอน น, น, นี้เหรอก็อก็ที่เหลือก็เดี๋ยวไปทำงานบ้านครับโอเคเนีเห็นเป็นคุณจี๊อีกคนนะครับพระยคุณจี๊บยังกระทอยู่เลย เขาถามอีกคําถามคะ่ะพระอาจารย์คือถ้าเราถ้าโยมอยากจะถือศีลแปดต่ออย่างนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าบางทีทันข้าวชา้าเราต้องทํางานไปด้วยในวันพ้าเหมือนกันนะคะถ้าจะขอถ้าเราตั้งกับตัวเองว่ามื้อที่สองคือมื้อเที่ยงเราจะขอทานหลังไม่เกินบ่ายสองนี่จะได้ไหมคะหรือว่าเราต้องเป๊ะกับศีลแปดคือห้ามทานหลังเที่ยงอะคะ่ะคือถ้าเป๊ะได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เราก็ขอผ่อนทันได้ผ่อนปะ ผอนผันกับตัวเองใช่ไหมคะถ้าถ้ามันไม่มีเหตุให้ผ่อนผันก็อยากไปผ่อนผันแต่ถ้ามันมีเหตุจริงๆยังอยากจะรักษาอยู่ก็ก็ได้กินสองโมงก็ได้ค่ะแต่ ถ, ถ้าจะให้เด็กขาดไปเลยก็คือถ้าเที่ยงก็ไม่ไม่กินก็คือมื้อนึงนก็มือนึ่งนั่งเทียงก็เลิกไปก็ต้องกินก่อนแล้วแล้วเอาความทรมานของความทรมานของร่างกายมาเป็นเวทนาวิทำปัญญาแทนใช่ไหมคะคนคนอื่นก็ปฏิบัติเขาไม่กินทั้งวันก็ยังอยู่ได้ ใช่เจ้าค่ะแต่โยมโยมบางทีกว่าโอ้เราเป็นไทลอยหรือเปล่าทำไมเพลียเพราะโยมเป็นไทลอยด้วยไงคะก็ไม่เป็นเรื่องกิเลสมากกว่าโอยังเป็นโรคอ้วนมากกว่านรคไทลอยอันนั้สิเจ้าค่ะช่วงนี้แบบน้ําหนักขึ้นอาพขึ้นอาพเพราะว่ากินแต่หน้าหนาวก็อยู่แต่ในบ้านก็ขึ้นใหญ่กิเลนแล้วไม่ยอมไม่ใช่ว่ามันอ้วนมันคิดไทลอยเลย อ้าถ้าอย่างนี้สมมุติถ้าเราอ้วนแล้วแล้วเรายังแล้วยาอยากผอมไปมันก็คือกิเลสของความอยากแล้วคนจะปล่อยมันถูกไหมครับอ๋อถ้าถ้าเป็นกิเลสถ้ามันไปในทางดีไม่เป็นกิเลสความอยากไปในทางดีเป็นธรรมะอ๋อค่ ะ, อ, ะอยากให้สุขภาพแข็งแรงนี่ถ<อ>ือเป็นทางดีไหมครับก็กลางๆค่ะว่าเออกลา ง, ลางคือมันเป็นถ้ามันเป็นถ้ามันอยากแล้วมันไม่ได้มันก็จะเป็นพีดเป็นกิเลสขึ้นมานั่นต้องดู ถ้าเราอยากในที่ดีๆแต่เราไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใจก็ต้องยอมรับไม่ได้ไม่ได้ก็ยอมหยุดเย็นไปอย่างนี้ถือว่าโอเคค่ะทุกคนก็ทุกคนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพอันนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นหน้าที่ไม่ถือเป็นกิเลสเป็นหน้าที่เปร่างกายเป็นเครื่องมือที่เราจะต้องคอยทะนุถนอมรักษาให้มันดีจะได้ใช้ประโยชน์ได้ ใช่เจ้าคาะยมก็พยายามคิดว่าเราพยายามรักษาร่างไก่นี้เพื่อจะได้ทําความดีต่อไปให้ทีถียิ่งขึ้นขึ้นไปนะคะไม่ได้ไม่ได้เจ้าค่ะขอพอบคุณเจ้าค่ะพระจารักษาสุขภาพปีใหม่นอพร้อมปีใหม่นะเจ้าค่ะคุณเกศเลนมาสุดท้ายเลยเนี่ยเจอ not carolina กล่าวนามสกุพระอาจารย์อมีอะไรไหมปริยง โยมปางอยู่รอบนอกเจ้าค่ะประอดีว่าช่วงนี้การปฏิบัติของโยมก็ยังไม่ก้าวหน้าเพราะว่าช่วงลูกสาวมาก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ก็ใช้เวลาที่เขาไม่อยู่ก็ปฏิบัติไปนะเจ้าค่ะอืก็ทําไปตามเท่าที่เราจะทําได้แล้วกันช่วงไหนทํา <c oughs> ได้ก็ทําช่วงไหนทําไม่ได้ก็ฝึกสติไปฝึกส <c oughs> ติสติที่ปฏิบัติได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกับใคร พยายมใช้สติพุโทโธค่ะเดี๋ยววันเสาร์เขากลับแล้วจะเป็ไนไรเจ้าค่ะโยมก็มีเวลาเยอะวันเสาร์เขาก ล, กลับแล้วอ๋อกลับมาเขายังมีเวลานั่งได้เจ้าค่ะเพราะว่าเขานอนกับโยมเขากลับมานี่เขานอนกับโยมโยมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่เออยังอยากเป็นลูก<า>อยู่นะพอกลับมาบ้านก<า>็เนหมือนเด็กอยู่นะเจ้าค่ะตัเหมือนเด็กน้อยอยูือตอนเป็นผู้ใหญ่ยังไงพอเจอมากครับกลายเป็นเด็กน้อยไปเลย เจ้าค่ะเมื่อวานเมื่อวานโยมก็ตั้งใจจะรักษาสินแปดวันพระพอดีว่าพอดีลูกสาวจะกลับโยมก็ต้องพาเขาไปเลี้ยงก็เลยผิดไปวันหนึ่งโยมตั้งใจจะรักษาสินแปดเจ็ดไปก็แล้วกันถือสินเจ็ดไปก็แล้วเจ้าค่ะโยมก็สองจิดสองใจไปดีไหมเนาะประมาณอย่างเงี้ย แล้วพอดีว่าวันเสาร์เขาก็บอกว่าเขาจะกลับวันเสาร์แล้วแล้วก็เมื่อวันก่อนเขาไปเลี้ยงโยมโยมก็เออโยมต้องเลี้ยงเขาเพราะว่านานๆเขาจะมาทีแล้วเขาจะมาอีกทีประมาณเดือนมีนาเจ้าค่ะคือเขาไปยาวอยู่โยมก็เ อ, อ, เ อ, อวันนี้ของดสินแปดสักพันหนึ่งท <laughs> ําทททตามความจําเป็นก็เลยปฏิบัติตามตามความจําเป็นไปก็ปฏิบัตเมตตาแทกนกันแล้วกันคิดว่าแผ่เมตตา ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจะถามเดี๋ยวไม่มีอะไรจะถามมามารอรับพรจะก่ะวปฏิว่าในนั้นหมอจะรอรับพรใกล้ละใกล้ละเดี๋ยวให้คำถามหมดก่อนตอนนี้เอาจากเฟซบุ o กมั้คนคนเจนอ่คนคนหลามีคำถามเข้ามาไหมมีเจ้าค่ะมีจดคำถามจากทาง a c e b o o k เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณทินาราชขจร กราบถามหน่อยครับฝึกเริ่มต้นบริกรรมพุธโพลัวลัวกับหายใจเข้าพุธหายใจออกโธแบบไหนดีกว่ากันครับหรือว่าเห็นผลกว่ากันครับอ๋อลองดูเสิต้องลอ ง, ลองดูแบบไหนดีกว่าเราก็ใช้แบบนั้นก็แล้วกันถามต่อไปจากคุณศิริลักษณ์กรุณานนนกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะการนั่งสมาธิ ตั้งนาฬิกากำหนดเวลาได้ไหมเจ้าคะได้แต่ถ้าทางที่ดีตั้งสติกังดีกว่าเถ้านาฬิกาเนี่ยมันใจมันก็จะไปอยู่ที่นาฬิกาคอยดูว่าถึงเวลาอยังถึงเวลาอยังใจมันก็จะไม่มีสติที่จะนั่งให้มันสงบได้นอกจากว่าถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องตั้งนาฬิกาเพราะเราต้องไปทํางานหรือต้องไปทําอะไรต่ อ, อนี่เราก็ตั้งนาฬิกาไป แต่ตั้งแล้วก็ลืมมันไปเสียอย่าไปสนใจอย่าไปคอยเจ้ามาถึงเวลาอย่างถึงเวลาอย่างเวลานั่งนี่ให้ตั้งสติอย่าไปตั้งที่นาฬิกาให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปลืมเรื่องเวลาไปคำถามที่สองจากท่านเดิมต้องนั่งสมาธิให้เกิดเวทนาทุกครั้งหรือเจ้าคะอ๋ออันนี้เป็นผลบางทีนั่งแล้วก็มีเวทนาบางทีก็ไม่มีเวทนามันไม่แน่ ถ้าสติดีจิตสงบแล้วก็จะไม่เจอเวทนาถ้าสติไม่ดีจิตสงบยากก็จะเจอเวทนาได้คำถามต่อไปจากคุณนกโยมมาปฏิบัติเดี่ยวเจ็ดวันวันนี้วันที่สี่รู้สึกว่าจิตตั้งมั่นมากปกตินั่งสมาธิจะเจ็บปวดจนจิตทนไม่ไหวเหมือนจะขาดใจก็ต้องพ่ายแพ้ออกมา แต่วันนี้ความปวดไปไม่ถึงจิตเหมือนแยกชั้นกันไม่ละคนกันนั่งดูความเจ็บปวดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงจะเห็นแค่จิตที่มันบอกพอแล้วลืมตาสิตั้งใจจะนั่งดูความเจ็บปวดให้งานขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่หลอกตัวเองต้องได้จริงๆรแปดชั่วโมงต่อเนื่องยมจะพยายามไปเรื่อยๆกราบขอพระอาจารย์แนะนําเพิ่มเติมเจ้าค่ะ ก็ทำไปเรื่อยๆนะก็ไม่มีอะไรจะนะ น, นำเพิ่มเติมอันนี้ก็ฝึกให้จิตให้มีพลังให้มีสติให้อยู่กับเวทนาให้ได้คำถามต่อไปจากคุณพาล์มดิศยามีสองคำถามเจ้าคะ่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์โยมมีเชื้อสายจีนที่ต้องทำพิธีไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนคำถามที่หนึ่งถ้าเราไม่ทำพิธีเผากระดาษ และยกอาหารเส้นไหว้แต่เราทำบุญใส่บาททดแทนอยากทราบว่าญาติของเราจะได้รับผลบุญได้หรือไม่คะได้ถ้าเขาเรารับผลบุญอยู่ก็เราก็ทำบุญแต่ถ้าเราไปเผากระดาษแล้วเอาของไปเส้นไปไหว้นี่เขาไม่ได้อะไรเลยถ้าอยากให้เขาได้เราต้องทาบุญเอาของที่เราจะเส้นจะว่วนี้ไปทำบุญแทน ไป ใ, ใส่บาทรรือไปเลี้ยงคนยากคนจนให้คนยากคนจนไปเราก็จะได้เราก็จะได้บุญแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับคนตายได้คาถามที่สองคือพิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษในช่วงวันตรุษ จ, จีนยังจำเป็นไหมคะถ้าเราทำบุญใส่บาททดแทนไปแล้วอันนี้มันเป็นธรรมเนียมเพื่อให้เราไอ้พี่น้องมาได้มาพบปะกัน สองเ ป, เป็นการสอนลูกหลานที่มีชีวิตยอยู่ให้รู้จั ก, จกเคารวพ่อแม่ผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีสอนสอนสอนให้นุชนรุ่นหลังนด้มีความรักมีความรักคารวผู้หลักผูใ้ใหญ่เป็นความประทันยูสอนเรื่องความประทันยูแต่เวทีคําถามต่อไปจากคุณปรางษาเจดับบิลเป็นเป็นคำถามฝากถามเจ้าคะ่ะ สาบพระอาจารย์สามีโยมและลูกเป็นคริสบางครั้งปฏิบัติสมาธิสวดมนต์มักชอบโดนว่าสุดตรงไปไปใส่บาตรก็โดนตำหนิว่าไปใส่บาตรบ่อยทำไมจนบางทีต้องแอบทำกิจวัตรเหล่านี้ช่วงนั่งสมาธิก็อยู่รวมกันในห้องนอนสามีนอนเตียงโยมแยกมานอนพื้นข้างล่างจนลูกสาวตามมานอนด้วย เวลานั่งสมาธิทุกคนดูทีวีเสียงดังเล่นมือถือเสียงดังอันนี้โยมตัดความลำคาญด้วยการบริกรรมว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเห็นสักแต่ว่าเห็นแต่มีสมาธิ ด, ดีเจ้าค่ะปฏิบัติแบบนี้ถือว่าทำได้ไหมเจ้าคะสติหลุดบ้างเพราะเงียงหูฟังแต่พอนึกขึ้นได้ก็ดึงจิตกลับมาเจ้าคา่ะจิตเราไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆก็ถือว่าใช่ได้ กินแล้วอยู่กับภาวะอยู่กับงาที่เราทําอยู่อยู่กับการภาว น, นาของเราถึงแม้ว่าจะไม่สงบแต่ถ้าเราทําได้ก็ถือว่าใช้ได้คําถามสุดท้ายจากคุณวงชดาโพสะอาดคําถามอยากทําบุญต่ออายุให้มารดาทําสังฆทานเพียงพอไหมเจ้าคะหรือว่าต้องสร้างพระคะอ๋อตออไม่ได้หรอตออได้ก็อยู่วันเป็นพันปีเหมือนปีลเลย ต่อไม่ได้หรอกต่อบุญได้แต่ต่อายุไม่ได้ทําบุญเพื่อต่อบุญเพื่อเวลาตายจะได้ไปสวรรค์นี้ทําได้อยู่แต่ไปทําบุญเพื่อต่อยุคนี้ต่อไม่ได้ถ้าต่อได้ก็ดีเลยไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้เสียเงินเสียทองเอาเงนินที่ไปจ่ายค่าหมอค่าโรงพยาบาลไปทําไปทําบุญต่อายุ ก, กันมันต่อไม่ได้หรอก มีคำถามเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะเอาเลยมาไปเลยาเ<อ>าจาก<ม>คุณเบลพันพงศ์สุดใจ<ม>หากเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นเข้าใจถูกต้องในการปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาราสีเครื่องรางของขลังเห็นกายกับใจเป็นคนละส่วนกันจากสมาธิจะมีโอกาสเข้าถึงอารมณ์ของโสดาบันไดหรือไม่ครับได้ทำปฏิบัติไปเรื่อย พยายามแยกกายกับจิตออกจากกันให้ได้แล้วก็ปล่อยวางร่างกายมันก็จะสามารถเข้าสู่กระแสของพันิพานได้เป็นพระโสดาบันได้มีท่นนี้ใช่ไหมมีเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าคะ่ะจากคุณหนูหนึ่งตุ๊กติก๊กขอสอบถามพระอาจารย์หน่อยคะ่ะเวลานั่งสมาธิถ้าบริกรรมพุทโธแล้วไม่ค่อยสงบ เราจะเปลี่ยนคำบริกรรมเป็นคัสนสวดอิติปิโสแทนได้ไหมคะเพราะเคยนั่งหลับตาสวดอิติปิโสร้อยแปดจบรู้สึกเหมือนสงบเร็วมากเลยค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะได้วิธีไหนที่ทำให้จิตเราสงบก็ใช้วิธีนั้นไปหบดแล้วใช่ไหมออมีเข้ามาอีกเจ้าคะ่ะจากคุณหญิงอุทัยวันมีคำถามฝากถามไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะ กับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะข้อที่หนึ่งผู้ปฏิบัติภาวนาจัดตารางเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมทานอาหารทำความสะอาดบ้านซักผ้าอาบน้ำตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่ละวันอย่างไรคะแล้วก็ตั้งเวลาเหมือนกับเราตั้งเวลาทำอย่างอางื่นไงทุกวันเราก็ต้องมีเวลาใช่ไมั้ไปหาหมอไป ซื้อกับข้าวไปทําธุระกับคนนั้นคนนี้มันก็เป็นตารางของแต่ละวันเราก็ตั้งตารางของเราเสร็จเราจะว่าตื่นขึ้นมาแล้วเราจะทําอะไรก่อนตื่งขึ้นมาเข้าห้องน้าทำร่างกายทําอะไรเรียบร้อยรับประทานอาหารเสร็จอาหารไม่มีอะไรทําก็เดินจงกรมนั่งสมาธิก็กำหนดตารางไปชั่วโมงนี้ทําอย่างนั้นชั่วโมงนั้นทำอย่างนี้ แล้วพอถึงเวลาก็ต้องทำตามตารางที่เราจัดไว้ท่านนเองคาถามที่สองจากผู้ถามท่านเดิมเจ้าค่ะหลังจากตื่นนอนและหลังจากอาบน้ําตอนเย็นควรนั่งสมาธิก่อนเดินจงกรมหรือเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิคะอ่านใจได้ทั้งสองอย่างอย่างไรได้ประโยชน์ก็เอาอย่างนั้นถ้านั่งไม่ได้ก็เดินถ้าเดินเดินแล้วสู้นั่งไม่ได้ก็นั่ง น้กจากเราเราสามารถเลือกทำได้หมดแล้วเหยถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเอแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาสาหรับวันนี้มีคนรอขอรับพรกันเยอะแยะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอนก็ไม่ไหวแล้วบอกก่อนนะพรนี่มันเป็นคาความปรารถนาดีเท่านั้นเองนะ ส่วนพรจริงๆเราต้องเป็นคนทำขึ้นเราต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะคือความสุขความเจริญชีวิตเราปีหน่าจะดีกว่าปีนี้เพราะเราทําความดีมากกว่าปีนี้การทําทเท่ากันมันก็จะเท่ากันถ้าทําน้อยมันก็จะมันก็จะน้อยลงไปมันไม่ได้อยู่ที่คนค น, นั้นคนนี้ให้พรเราหรอกการให้พรนี้เป็นเพียงแต่แสดงความปรารถนาดีต่อ ก, กันและกันเท่านั้นเอง อาทิตย์หน้าก็เจอเวลาเดิมนะเจอวันพุธวันต้นคิดว่าจะต้องเลื่อนแต่พอดีช่วงนี้เมื่อวันพุธมันเป็นวันพระแต่ไม่ต้องไม่มีการแสดงธรรมก็เลยไม่ต้องเลื่อนก็เลยวันพุธต่อถ้ามีการเลื่อนจะบอกให้ทราบถ้าไม่มีการบอกก็ถือว่าเจอกันทุกวันพุธสองทุ่มนะเอาล้วนะย่ง้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเ อ, อจะมีแต่ความสุขความเจริญ อายุมั่นันยืนมั่งมีสิสุดข้าค่าปลอดภัยคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการเถอด